ความจรงรับประทานนึ่งหรือีอครั้งก็ได้แต่ความจรงรับประทานถ้ามันพองกับความต้องการของร่างกายเหมือนกับรถยนตมันก็มีถังน้ำมันอยู่สาเดียวจะเติมที่จะเติมทีละหนึ่งในสามก็ต้องเติมสามครั้งถึงจะเต็มถังถ้าจะเติมทีเดียวครั้งเดียวมันก็เต็มถังได้ สำหรับรางการไม่มีความแตกต่างกันว่าเราจะรับประทานหนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งถ้ามันได้ปริมาณเท่าเท่าเดิมคือสมมติว่าเราเราทานข้าวสามจานเราก็แบ่งเป็นสามครั้งเชา้าจานกลางวันจานเย็นจานเราก็มารวมกันทีดเดียวก็ได้รับประทานตอนเช้า ทีเดียวสามจาไปรวดเลยจบร <c oughs> ่างกายก็ได้อาหารครบท่วนตามความต้องการแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือกิเลส <c oughs> กิเลสคือความอยากความอยากในรสในกลิ่นในรูปของอาหารอันนี้มันจะไม่ได้กย ยิ่งรับประทานแบบรวมกันอย่างนี้ยิ่งยิ่งปิดประตูของกเกลเอ็งได้อย่างดีคือเกลเป็นชอบรถชอบกลิ่งชอบสีชอบรสเวลาเวลารับประทานก็ต้องไม่ปนกันใช่ไหมรสหวานก็ต้องอยู่ตอนหนึง่งรสเค็มก็อยู่ตอ น, นรสเปรี้ยก็อยู่ตอ น, น ไม่คุ้นพร้องกันไม่รวมกันทางท่านที่มันก็จะไปรวมกันเป็ท้องหรืออย่างนี้ถ้าเรารับประทานเพื่อร่างกายมันก็ต้องรับประทานอีกแบบหนึ่งที่เรารับประทานแบบนี้เรารับประทานเพื่อการมัจฉันทะความความยินดีในการมรด การมณ์ ก, ก็คือกามกคุณทั้งห้าไม่แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัตวะการบริโภคการคุณทั้งห้านี้เป็นกายสร้างสมัยต้นเหตของความทุกข์อยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่คืการวัดตังหาแห่ความอยากในรูปเสียงกลิ่น กจะทาให้ใจิตใกระสับกระสานกระวนกระวายเต็นเยินยินร้ายจิตใจเลยไม่มีควาสมสนบสงบไม่ได้ถ้ามีการมาฉันทะก็าาการมาฉันทะนี้ก็เป็นรีวรนการจะทำจิดให้สงบต้อง เมื่อต้องท่ามิวร ห, ห้าประการด้วยกันหรือกำแพงที่ฝังที่ขวางขวางความสุบความสุขของใจเรียกว่ามิวรมิวรห้าในมิวรห้าก็คือการละทิ้งพะความอยากในเรื่องสิ่งเกีดเพื่อทำให้ทาใจให้สุบไม่ได้ เพราะวันหนึ่งนี้ก็แบ่งเวลาให้การรับสารพัดไปหมดเลยเช้ากลางวันเดยวนี้ก็เรื่องของอาหารพอกลางคืนก็เรื่องของการหลับนอนนี่ก็การรับสารพัดเรื่องหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วหลับนอนคนเดียวก็หลับแบบนอนบนฟูกหนาๆห้างปรับอากาศมีกลิ่นอม ไปน้ำหอมไว้ในห้องนอนจะได้นอนหลับสบายเหมือนอยู่อยนขึ้นสวรรค์ น, นี่แหละเป็นความสุขของผู้ที่สืบกามผู้ที่ยังมีกามฉัน้นธาอุพวกนี้ก็จะติดอยู่ในกามะพบากามะพบนี้ก็มีชั้นสูงพระเทนองมาก็มนุษย์ แล้วถ้าเสพการโดยการทำผิดศีลผิดธรรมไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ในขณะที่เสพกางเช่นไปประพฤติผิดตัวเองหรือเวลาอยากจะเสพกางต้องไปทำบาปทำกรรมไม่มีงินที่จะไปหาความจบทางลูกเขียงเกี ย, กยรติวดุลโภทะพระได้ ก็ต้องไปช่อโกไปรักขโมยไปป้นเงินทองของผู้อื่นแล้วก็มาซื้อลูกเสียงกิ่นรสปกทั่วชนิดต่างๆถ้าศิการแบบนี้ก็จะทำให้จิตใจตกต่าเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างนี่คือ ที่อยู่ของผู้ที่เสกการมแบ่งเป็นสองส่วนคือสุขติกับอบายสุกติก็คือผู้ที่เสกการมโดยไม่ได้ทาบาปทากรรมเช่นรักษาศีลห้าถ้าจะเสกกรรมก็จะไม่ละเมิดศีลห้าส่วนผู้ที่เสกการมแล้วต้องละเมิดศีลห้าก็เป็นพวกอบายส่วนผู้ ที่ทำให้เราเข้าสู่พวพวกนี้เข้าสู่อบายก็คืออบายมุกต่างๆนี่การเสพหรือการการกระทำที่เรียกว่าอบายมุกนั้นก็มีเช่นหนึ่งการเล่นการพนันการเสพสุราอย่างมาการเที่ยวกลางคืนกีางคืนก็เที่ยว เพื่อหาเสียงตื่นต้บหรือการครอบคนไม่ดีคนชั่วเป็นนิตและความเกียรติคานี่คือตัวที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำมิวรนี้ก็เป็นตัวที่ขวางไม่ให้ขึ้นสูงก็ยังมีตัวที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำ ผู้ที่จะขึ้นไปสูงได้ก็ต้องอยู่เหนืออิทธิพลของอบายมุขแล้วก็ต้องมีพลังมีกำลังที่จะทํทาธรรลากําแทงของการมรสันทะถึงจะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุดที่เหนกว่าความสุดของกามารดทั้งหลาย ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะการมาสันทাได้ก็ยังจะไม่สามารถทาจิตใจให้สงบได้วิธีที่จะทำให้เราเอาชนะการมาสันทাได้ก็คือการถือศีลแปดนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่วิธีเดียวต้องมีอย่างอื่นอีกอย่างด้วย ทคือเสียงแต่ก็เราก็จะตับเรื่องการมาฉันทาไปได้หลายหลายประการด้วยกันเช่จนจะเคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายหาความสุขจากการหลับนอนก็จะละเว้นไปไม่ไม่หาความสุขอยานถ้าเป็นสามีภรรยาก็าควรจะนอนเป็นคนละห้องเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวไฟมั่ชอบได้ ถึงได้ว่าจะมีความตั้งใจงที่จะถือศีลแต่คือไม่เรื่องหลับนอนกันแต่กิเลสมันไม่ยามถือด้วยทํทำยังไงเวลานเกิดอารมณ์ขึ้นมานนก็คือที่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมันมันทำให้เราต้องเริ่มศีลข้อเอาความนัตจาริยารามนีก็คือเราควรจะอยู่ห่างกัน ถ้ายังต้องอยู่ห้องเดียวกันก็นควรจะอยู่คนห้องแล้วก็ใส่กุญจจไม่ให้เปิดเข้าออกกันได้เนีนเดี๋ยวต้องเก็ที่นับนลแล้วมันก็จะเสื่อปบ้าเดินหลบหลบไนี่นี่ก็ข้อข้ อ, ข, อข้อหนของ ของของของสิี่แปดที่ต่างจากสี่ห้าสี่ห้าก็มีออะไรเว ล, ลามันมีนะการในสี่มิจฉาจาราคือการเสกกางโดยไม่ผิดประเพณีก็คือร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแลมีนิพพานดียาของตน ตาหกักับสี่ห้าก็คือข้อสามแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อด้วยกันคือข้อข้อรับประทานอาหารในรับประทานอาหารนั้นจะเที่ยงวันเป็นแล้วเพราะไม่จําเป็นถ้ารับประทานเพื่อร่างกายเพื่อรับประทานให้พอมนมันทีเดียวหรือถ้าต้องการที่จะให้มันเที่ยงข้นกว่า น, นี้ดบียกินเหลือได้มากดูด ก, การมาถึงธาตุได้มากกว่า น, นี้ ก็คือรับประทานครั้งเดียวอย่างที่เช้าจะรับประทานกาแฟขายนร่บขนมตังขายยาวเดี๋ยวสักสองชั่วโมงก็มารับประทานเี้ยก็เอามันทีเดียวเลยพร้อมกันอาหารเช้าอาหารกลางวันพร้อมกันเลยรับประทานทีเดียวให้หนเสร็จเลยแล้วถ้ายัางต้องการดื่มกามาฉันทะให้มากขึ้นก็เอามาใสา่จางเดียวเลย นนนนขนมปังกาแฟใส่เบเกชามเดียวกันอาหารเช้าอาหารกลางวันใส่รวมกันในภาชนะเดียวกันแล้วก็คนมันเข้าไปถามันเป็นอาหารจานเดียวก็เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปในท้องใช่อาหารที่เราเห็นในชานที่เราคลุกคนปนกันอยู่มันก็เข้าไปในท้อง มันจะไปรวมตรงโต๊ะมันจะรวมที่ในกาลังในชาวเรื่อมันจะเป็นรวมกันในเท้ามันก็ตามสำหรับร่าง ก, การมันไม่มีความ ต, ามตาม่างกันแต่มันต่างที่กิเลสที่ทําไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมให้ทําถ้าทําตามทำแล้วถ้ามีธรรมไม่ทําตามคามําสั่งทำแล้วทำได้ลองทําดูสิเราจะเห็นความแตกต่างใน เรื่องของจิตใจต่อไปจิตใจจะไม่มีความ ก, กังวลกับเรื่องรูปรสกลิ่นสีของอาหารอะไรมเวลามีอะไรก็กินกินกนเข้าไปอามารวมใส่ชาใส่ตำลางคนกันเข้าไปแล้วก็ตักเติน เ, เข้าไปกินให้มันอิ่มทั้เวลาที่พระท่านกราบเจ้านี้ท่านต้องมีปฏิสังขารอยนิสโสรือ ขอเจ้าสงสอนพระว่าเวลาจะใช้ปัจจัยสื่อเช่นอาหารดุล บ, บาทจีวรกุฏิที่อยู่อาศัยนย้ำยารักษาโวกนี้ให้พิจารณาโดยแยกข่ายหรือพิจารณาเหตุผลสำหรับการบอยพระปัจจัยสื่อเช่นเวลาบอยพระอาหารก็ให้พิจารณาว่าเราบอยพระ เพื่อร่างกายเพื่อดับความหิวของร่างกายและป้องกันความหิวของร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นมาเร็วเกินไปและไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานไม่ได้รับประทวนรับประทานเพื่อรสติแต่รับประทานเพื่อเยียวยาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปอย่างปกติสุด นี่เรียกว่าปฏิสังขารอยู่นิสโสรเวลาครูบาอาจารย์ท้าปฏิบัติเวลาก่อนจะฉันจะสังเกตเลยว่าถ้าจะนั่งเฉยๆตาดูบาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนอย่างน้อยก็เหมือนอาทีพิจารณาก่อนที่จะฉันและบางท่านท่านอาจจะพิจารณานึกไปก่อนเลยคือท่านจะพิจารณาอาหารโดยปฏิกรรสสัญญา การจะไปจะมาดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของอาหารในแต่ละขั้นตอนขา้นตอนที่อยู่ในจานที่ยา่างโยงน ม, นมถั่วหวานขั้นตอนที่เข้ามารวมกันอยู่ในปากขา้นตอนที่ไปรวมกับน้ำลายที่ถูกบดถูกเคี้ยวอยู่ในปากขั้นตอนที่อยู่ในท้องและขั้นตอนที่ออกมาในห้อง น, น้ำนี่เป็นขั้นตอนของอาหารที่เรา บริโภคกันถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วต่อไปเรื่องอาหารจะไม่เป็นปัญหาคือเรื่องของการวัดฉันทะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจะไม่จนปัญหารหรือว่าถ้ายังเป็นปัญหาอยู่เช่นสมมติว่ารับประทานเสร็จใหม่ๆยังไม่ทันยกจากโต๊ะเลยเห็นขนมนและนึกถึงอาหารอย่างอื่นก็หิวขึ้นมาอีก ส่วนี้ก็ต้อ ง, ด, งดับสัญญาณกิเลสหลวงตาท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านอยู่ใหม่งท่านฉันเสร็จล้างบาตรเช็บเดบาตรยังไม่ทันแห้งก็หิวอีกแล้วท่านบอกหิวอย่างนี้ต้องไม่กินอีกสามวันท่านก็อดไม่ฉันสามวันพอหลังจากนั้นแล้วมันไม่กล้าถึงแล้วกินเลสไม่กล้าหิวเพราไม่ใช่ร่างกายที่หิว เพราะร่างกายตอได้รับประทานไปเสร็จไปหลกหยกจะไปหิวได้ยงไงให้ที่หิวก็คือการมาฉันทะตัวนี้เนี่ยการบีบดรวอการทำลายการต่อสู้การมาฉันทะเกี่ยวกับเรื่องการบอยข้อกอาหารนั้นก็มีอยู่หลายขั้นด้วยกันนัานที่ได้อธิบายมา แต่ก็มีข้อที่จะต้องระวังอยู่ข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเราก็ต้องรู้จักพอประมาณเพื่อพิจารณาเพื่อทำให้ใจของเราไม่ไปยินดีไปอยากกับรูปรูปสีกลิ่นเละของของอาหารแต่ถ้าพิจารณาโดยเถิด คือพิจารณาจนไม่กล้ารับประทานไม่ลงอย่างนี้ก็ต้องหยุดพิจารณาเพราะเวลาเห็นอาหารทีไรก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ออกมาจากไหนออกมาจากตวารตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำก็ทําให้รับประทานไม่ลงเป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดพิจารณาเพราะอะไมันถ้ารับประทานยาก็รับประทานยามากเกินไป หมอให้รับประทานวันละ6เม็นี่รับประทานวันละ12เม็ดมันแก้วแดงเกินไปก็ต้องรับประทานตามที่หมอสัง่งหรือแม่ชีหรือท่านผู้ศึกษาแม่ชีที่เขามีปัญหาเรื่องนี้มาไปกราบไปกราบเรียนถามหลวงกาลแล้ ว, ลวจะแก้อย่างไรหลงกาลท่านก็สอนว่าให้พิจารณาว่า เป็นท่าทั้งพูดที่ทั้งสิ่งที่บริโภคและเสิ่งที่ถูกผู้บริโภคนะเสียงที่ถูกบริโภคคืออาหารก็มาจากธาตุสิ่งเยนน้าเหมือยนไฟร่างกายที่บริโภคอาหารนี้ก็เป็นธาตุสิ่งเปลี่นน้าเหมือนนไฟเป็นการเติมธาตุธาเขาไม่รู้ว่าเขาเขาไม่ดีหรือน่ารังเกี่ยจ ยินดีกันอย่างไรมีแต่ใจหรือกิเลที่ไปยินดียินร้อนกับธาตุสีคืออาหารเวลาอยู่ในจานก็ยินดีเวลาไปอยู่ในโถส้วงก็ยินร้อนทั้งทั้งที่มันก็เป็นธาตุสีเพราะฉะนั้นธาตุสีกับธาตุสีเขาไม่มีปัญหาต่อกันถ้านพิจารณ์นี้ก็จะ กลับมารับประทานได้ทามปกตินี่คือปัญหาที่สามารถแก้ได้ในแวดวงของผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้ผ่านมาก่อนก็จะพบกันทุกคนเพราะเวลาปฏิบัตินะมันมักจะปฏิบัติโดยเถอดไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์อะไรแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์คอย คอยสอนคอยเตือนคอยบอกว่าง่วงน้าก่อนพอปฏิบัติถึงจุดนั้นก็จะรื้ ท, ทันทีว่ากำลังจะเลยถึงหรือไม่นี่ก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของการบอยโวคอาหารถ้าเราบอยโวคไม่เป็นก็จะเป็นการมาฉันทะเป็นนิวรที่จะขวางความ การิงของจิตใจคือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นจิตใจจะไม่สามารถเกิดความสงบสุขได้ถ้ามีการมาสัมทะขวงอยู่ดัง น, นั้นพูดที่ปรารถนาความสุขที่เล่ที่ประเสริฐกว่าความสุขของการมาคุณทั้งห้าก็จำต้องมีจิตใจที่กล้าหาญจิตใจที่มีเหตุมีผล ที่กล้าจะใช้อุดายิธีต่างๆมาทาลายกรรมฉันทะคือกรรมหรือกรมมารมัตันหาอย่างที่ได้ได้แสดงาไว้ต้องใช้เหตุผลด้วยทำไมต้องรับประทานต้องสารส่้งถ้ารับประทานเพื่ออ้างการรับประทานครั้งเดียวก็พอแล้วก็ไม่ต้องแยกอาหารเป็นจานจาน เอาอาหารมารวมกันเป็นในจานเดียวกันแล้วก็ถ้ามีปัญหาเบื้องต้นก็ต้องคลุก ม, มันคนมันปนกันให้เหมือนกับว่ามันเข้าไปอยู่ในท้องแล้วต่อไปการรับประทานหารของเราจะจะไม่เป็ปัญหามีอะไรก็รับประทานได้แล้วก็ยารู้จักหยิบรู้จักปลอ ถ้ามันหิวอีกก็พิจารณาความเป็นปฏิกริขึ้นมาก็ได้หรือถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ดบบับม่สายมันอยากจะกินมันสักสามวันอย่างนี้รับรองได้ว่ากามฉันทะจะพังทลายหายไปหมดเลยยังไม่เจนปัญหาเลยในสมัยเบื้อต้นที่เราไปอยู่ร่างายตอนนั้นเราก็ฉันนี่เดียวคือก่อนจะไปก็รับประทานนี่เดียว พอไปใหม่ๆก็ถัมเพ่เดียวตอนเย็นๆก็ยังคิดปรุงแต่งถึงอาหารชนิดต่างๆอยู่แต่พอเห็นพระท่านอดอาหารกันก็เลยลองอดตามดูพออดไปแล้วทีนี้เรื่องความหิวตอนเนอย็นนี่มันไม่มีมันโอนอำนาจของการไม่อดอาหารและการไม่การอดอาหารนี้ทําให้มันไม่กล้าปรุงแต่ง เพราะถ้ามันจูงแต่งก็ต้องอดมันมีมันมีโทษในการคิดถึงอาหารในายามเย็นในายามที่เราไม่ต้องรับประทานถ้าไปคิดถึงอาหารก็ทุงนี้ไม่ต้องรับประทานเลยใจ ต, ต้องเด็ดเดี่ยวถึงจะสามารถปล้ากินเหตุปัญหาได้กล้า ก, การมาสังเกตได้ นี่กข็ข้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารข้อที่หกข้อที่เกดก็คือไม่ให้เราหาความสุขจากการแต่งเนิ้อแต่งตัวไม่ใช้เครื่องสำอางต่างๆทำให้ร่างกายเรามีกลิ่นหอมร่างกายเราสวยงามและการที่ไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆ ทางตาหูเป็นการดูดูหนังการฟังเพลงหรือการร้องรำทำเพลงเป้นรำอะไรต่างๆวันนี้วันนี้เป็นกิจกรรมของกลางมาถึงทะถ้าปิดอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่สามารถนั่งภาวนามา้หรือว่าถึงเวลาดูละครนะรับประทานอาหารเสมเมีละครดู ถ้าเดี๋ยวก็ตามเรลงถ้าเสร็จแล้วก็ไปหลับนอนกับสมามอภัรยานอนนอ น, นอนก็ต้องนอนบนฟูกหนาๆนะนอนคือแปดเก้าชั่วโมงเติ่งขึ้นมาก็สายเสียเวลาแต่ถ้าเาป็นนักปฏิลัตินนอนเพียงสี่ชั่วโมงก็พอไม่เจ้าโง จงกำหนดเวลาพักเวลาปฏิบัติให้กับพรหนง่งคือสี่ชั่วโมงแรกคือตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มก็ให้เดินจนกล น, นั่งสมาธิภาวนาสี่ชั่วโมงที่สองก็คือสี่ทุ่งถึงปีสองก็ให้นอนในท่าสีหะสายยาแล้วพอตป่นขึ้นมาก็ให้ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา เราก็เนอนจนผมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาออกบินกลบานี่คือความความต้องการของร่างกายในที้งสี่ขงมือในการพักผ่อนหลับนอนถ้าเรานอนนอนบนพื้นธรรบดาพื้นไม้ดูข้าหรือดูเสียเวลาร่างกายได้พักผ่อนเป็นที่พอแนละ้วก็จะเปลี่ยนตัวเอง แต่ถ้าเรานอนบนที่ร้นหนาะวนอนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมีกลิ่นหอมที่เราสเปรย์ไว้มันจะพอสเปรย์ขึ้นมาแล้วมันไม่อยากจะจะกลับไปนอนต่อตั้งน้ำยากาียุกไว้มันก็จะกดปุ่มหนึ่งพอมันตุกก็จะกดปุ่มหนึงแล้วก็จะกลับไปนอนต่อนี่ก็เป็นความขี้เกียจ ด, ด้วยเสริมความขี้เกียจ ไม่ได้บำเท็ญจีก่กรรมภาวนาไม่ได้บำเท็ความเพียรเราไม่มีวิริยะอาคระคนที่เกียรเนี้ก็มกกักจะที่เกียดหลายอย่างเจอในที่เกียรทิทำทางดิที่เกียดทํทำ ง, งานแต่จะขยันเที่ยวขยันเล่น ถ้าเอย่างนี้นละต่อไปก็จะต้องไปสื่ออายเพราะถ้าไม่ขยันทํางานหาเงินหาทองขยันใช้เงินใช้ทองต่อเปใ น, นทองก็ไม่พอใช้ก็ต้องไปหามามาเติมด้วยวิธีที่ไม่สุจริตทําบาปทํากรรมตายไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบาย นี่คือการกระทำของผู้ที่ยังติดอยู่กับการละันทะผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำลายหิวรือกำแพงที่ขวางกัน้นจิตใจให้เข้าสู่ควาสมสงบได้ไม่สามารถนั่งสมาธิภาวนาได้ไม่สามารถเดินโยนข่มได้เพราะจะ อากคิดหาแต่โูกเสียงกิน่นรสปวดตาพระชนิ ด, นดนต่ตมมางๆตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งนอนหลับนี่จิตี้ถูกกามฉันทะลากไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเวลาอาบน้ำก็มีสบุ่หอมผอมมีน้ำหอมทาเวลาปั่นกายก็มีเสื้อผ้าสีสันต่างๆ นี่ก็เป็นเรื่องของการมสันตะธรรเวลารับประทานอาหารก็เลือกรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นนนเพื่อให้ถูกรสถูกปากนี่ก็เป็นการมสันตะทั้งวันนี้ชีวิตเรานี่ยจะอยู่ภายใต้คําสั่งของการมสันต์ธรรมเาจะ ถ, าถึงเวลานอนเลยเราจึงต้อง เปลี่ยนนิสัยของเราพิจารณาดู ว, ว่าการกระทำของเราในแต่ละอย่างนี้ทําไปเพื่อการละทันทะาหรือไม่เช่นอาบน้าําเราจําเป็นจะต้องใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมหรือไม่หรือเราไปทํางานทําการเราต้องประพงมน้ำหอมหรือไม่เชื้อผ้าการแต่งกายของเราต้องเป็นแฟชั่นล่าสุดหรือไม่ แต่กายแบบเรียบๆธรรมดาได้หรือไม่ใช้สบู่ที่ไม่มีกลิ่นหอมได้หรือไม่ไม่ต้องใช้น้ำหอมได้หรือไม่ <c oughs> เวลารับประทานอาหารก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าอยากจะรับประทานอาหาอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่มีเวลาก็เอาไปอย่างนี้ย <c oughs> อย่างนี้ก็จะช่วยตัดกลางฉันทะไป ได้ในชีวิตประจำวันอยากจะให้ดีก็ควรที่จะปลดตัวเองออกชีวิตแบบนั้นคือไปอยู่กับกชีวิตอีกแบบเช่นชีวิตตามวัดต่างๆวัดนนก็จะอยู่กันแบบควบคุมกามาชันทะกันอยู่ที่ไม่มีไฟฟ้ามันก็ดีมันก็จะได้รื่องนี้ ตัวทับวิทยุหรืออะไรต่างๆเครื่องมันต่างๆให้ไปปิดวิเวย่ยคำว่าปิดวิเว่ก็คือให้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงยุบเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นมาอยู่ในตาในเขา่างนี้ก็จะไม่มีละคอใไม่ดีไม่มีแพงให้สัง เราก็ต้องสังรวมตาหูจมูกเส้นกายคืออย่าไปมองในสิ่งที่จะทําให้เกิดการมาสัมผัขึ้นมาอย่าไปฟังในสิ่งที่ทําให้เกิดการมาสัมผัขึ้นมาถ้าจะฟังก็ฟังเท่จะทําให้จิตสงบหรือจะดูก็ดูหนังสือธรรมะ นี่คือวิธีที่เราจะกำจัดกรรมฉันทะที่เป็นวิวร์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจของเราให้สงบพอเรากำจัดได้แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างสบายไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีความอยากที่จะไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟัง การมาคุณการมาลดต่างๆเจ็ดก็จะสงบได้แต่ก็ยังไม่พอนอกจากการที่เราควบคุมเยอะกำจัดการมาฐานท้าแล้วสิ่งที่เรายังต้องควบคุมต้องมีอีกก็คือสติเพราะถ้าไม่มีสติก็เจ็ดก็ยังสามารถคิดปรุงต่างได้ ก็จะไปสร้างนิวรณ์ขึ้นมาอีกตัวหนี่ก็คือความสุ่งร้างก็ต้องคุมความคิดของเราให้ได้อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเพราะคิดเรื่อยๆเนี่ยมันจะคิดไม่มีร่อลกจะคิดจะไปได้เร่ยๆเราก็ต้องเบือนมันมาให้มาคิดกับทำบริกรรมโดยกรรมพุทโธพุทโธไปเรือให้มา สวดมนต์สวดมนต์จุดบทไหนที่เราจาได้ก็ได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องตรวจมือเสียงเพาเราจะได้สามารถสวดได้ในในทั้งสี่อวัยวะโอยยืนนั่งนองเดินไปก็สวดมนต์ไปก็ได้รายจำทุตเถรไปก็ได้หรือถ้าเรามีสติกาลังมากพอสามารถให้ให้รู้ กับสิ่งที่ร่างกายกําลังทําอยู่แล้วไม่ไปคิดอะไรเราก็ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เช่นถ้าเรารู้ว่าเรากําลังรับประทานอาหารกําลังตักอาหารกําลังเคี่ยวอาหารกําลังกลืนอาหารรู้อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ไปคิดเรือ่องอื่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้คือเราต้องการกําจัดความคิดตงแต่งต่างๆให้ใหยุดสังขาร คือให้มันทํางานน้อยที่สุดถ้าที่จะทําได้ให้มันรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ทําใจเป็นเหมือนอยาหรือเป็นตำํำรวจที่คอยเฝ้าเช่าเลยก็คือร่างกายอย่าให้ร่างกายนี้ห่นไปจากสายตาให้ใจต้องดูร่างกายอยู่ทุกขณะเวลาไม่ใช่ ให้ไม่ใช่ตัวผู้เฝ้านี้ไปที่อื่นร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ตัวผู้เฝ้าคือใจนี้ไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่นี่ต้องให้ใจอยู่ที่นี่ะเดี๋ยวนี้ไม่ให้ใจไปอยู่ในอดีตไม่ให้ไปในอนาโกร เรียกว่าการมีสติถ้าไม่สามารถหยุดความทุ่งแฉงได้ด้วยการดึงให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นก็ต้องใช้คําบริกรรมดึงไว้อ็กเส้นเชือกหนึ่งเชือกเส้นหนึ่งคือรู้เฉยๆนี่ไม่พอก็ต้องใช้าการบริกรรมดึงไว้เป็นเชือกสองเส้น สติก็จะมีก ำ, ำลังมากกว่าเดิมก็จะสามารถเดินให้ใจไม่ให้รอยไปที่อื่นได้ถ้าใจไม่รอยไปที่อื่นไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่พุ่งสรางเวลาภาวนาก็สงบได้เลยเพราเวลามีสติให้กําหนดอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจ แล้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่นั่งกำันไม่สงบก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับงานที่เรามอบให้จใจทาใจชอบไปหางานนำไพ่พิเศษชอบแอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ทำงานที่เราให้ให้ใจทำให้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็แอบไปคิดถึงเรื่องอาหารบ้างคิดถึงเรื่องการบันเทิงบ้างคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้บ้าง มันก็เลยไม่มีความสงบสักิีการที่ใจจะสงบได้ ใ, ใจต้องเป็นหนึ่งต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับวมก็ลมอย่างเดียวอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวแล้วมันก็จะสามารถทำให้จใตใดนิ่งเข้าสู่ความสงบและความสงบที่ควรจะเป็นก็คือความสงบที่นิ่งเป็นอุนเบกขาสักว์แต่ก็ร้ ไม่มีอะไรให้เห็นแต่เราเรารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นมีแต่ความว่างอันนั้นะเป็นสมาธิที่มีคุณประโยชน์ต่อาการเจริญปัญญาต่อไปเพราะเป็นสมาธิที่จะตัดกําลังของกิเลสตัณหานั่นเอ่สมาธิแบบแบบที่นิ่งที่สงบที่ว่างนี้กิเลสตัณหาทํางานไม่ได้เป็นเหมือนถูกฉีดยาสะลบไว้ ถ้าเป็นธนาทีท่ึเป็นเรื่องกันนาว ไ, ไปเที่ยวไปเห็นไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนีไ้ไปพบกับไปพบกับเทศไปพกับอะไรต่า ง, า ย, า, งายทุกข์ต่างๆหรือไประลึกชาติได้การความรู้เหล่านี้มันจะไม่กดหรือตับกำลังของกิตใจเสมอ แต่เหมืนอนกับทำให้ปัญหาทางานด้าิเลสทํางานไ ด, างงานได้เพราะอยากจะรู้มากขึ้นอยากจะอยากจะติดตามเรื่องราวเหมือนกับอยากจะติดตามดูละครดูถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะรูว่าตอนต่ อ, อไปจะเป็นอย่างไรพอออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาความจริงของของสภาวธรรมทั้งหลายที่ทันท่า คือรูปเมตนาสัญญาสัขงขารอย่างหรืออายตต ะ, ะภายนอกและภายในก็นคือรูปเสียงจิตนัตถุตัปปะและตาตาหูจมูมกมนอการว่าเป็นใจรักว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาว่าเป็นอนิจจันนีจ้จะไม่มีทางที่จะพิยาร่าได้ เพราะกิเลสตัณหาจะมาชวยให้ไปคิดถึงเรื่องที่ตนเองได้ได้พบได้เห็นมาก็อดที่อยากจะไปโอดไปเล่าไปคุยให้คนอื่นก็ฟังไม่ได้ว่านั่งสมาธิครั้งนี้เห็นอะไรเห็นนูน่นเห็นนู้นแต่หาวู้แม้ว่านั่งอย่างนี้มันไม่ได้นั่งเพื่อดับกิเลสเพื่อตัดกิเลสแตเป็นการนั่งเพื่อส่งเสริมส่งเสงกิเลสให้มีมากขึ้นไป ถ้านั่งแล้วสงบนี้มันไม่อยากจะพูดไรกับใครมันสบายเขาัะพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องพูดไปให้เสียเวลาเป่าๆถ้าจะพูดก็พูดเพื่อเป็นการให้เขาได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ไม่มาพูดคุยอวดแบบว่าเอ้เห็นสวรรค์ชั้นนั้น <c oughs> เห็นนรนกชั้นนี้เห็นเทศระดับโน้ระดับนี้ นั่นเป็นการพูดตามทางอยากอยากจะพูดอยาจะให้คนอื่นเขารู้เขาเห็นก็เลยเวลาออกมาจากสมาธิแบบนี้ก็ไม่ได้มาเจริญปัญญาถ้าออกจากสมาธิที่สงบนี่งไม่มีความคิดตุ้งแตกจาสตร์เรื่องนี้เป็นอุเดกขาเวลาออกมาความเป็นอุเดกขานี่มันก็ยังยั ง, ย, งยังมีเหลืออยู่ เป็นเหมือนจับน้ำํำขวดน้าที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นมันก็เย็นพอเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่มันก็จะเริ่มค่อยๆหายไปความเย็นถ้าปล่อยไว้นงงานเทาเดี๋ยวความเย็นก็จะหายไปจิตที่เป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันที่เป็นอุปเบกขาเวลาออกมาใหม่ๆมก็จะเป็นอุปเบกขา จะไม่ค่อยมีอารมณ์โล ก, โ, ลกโทรสัไม่มีกิเลสปัญหามาปรุงแต่งผักดันเวลาพิจารณาทำเช่นความไม่เที่ยงนี้ก็จะไม่มีอารมณ์ที่มาขับขวางธรรมดาติถ้าเวลามีกิเลสเวลาที่จิตไม่สงบนี้ไม่ค่อยชอบพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงกันเท่าไรไม่ชอบพิจรารณาความตายก้วไม่ชอบพิจารณาการสูญเสียการดับ การพัดผ่าจากกันเพราะว่ากิเลสมันไม่ชอบนั่นเองมันก็จะมาสร้างอารมณ์ก่อขวนพอคิดถึงเรื่องดับเรื่องตาในี้ใจก็ห่อเดี่ยวขึ้นไป ท, ทันทีหมดเรี่ยวหมดงานไม่มีกําลังจิตกำลังใจแต่ถ้าให้คิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปหาเงินไปหาตำแหน่งมันจะเบื่งตาได้นานก็ะตือรือร้ น, นกระโดะโดโลดเต้น นั่นเป็นงำนาของเกี่ยอย่างถ้าออกมาจากสมาธิใหม่ๆถ้าพิจารณาความตายความเสื่อมความสูญเสียการพลาดพ า, า, าจากกันนี้มันจะเฉื่อยแล้มันจ ะ, ะรับได้ว่าเออ ม, มันเป็นความจริงพวกเราทุกคนก็รู้ว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้อง สูญเสียสิ่งต่างๆต้องท่าท่าจากสิ่งต่างๆแต่ทํำไมไม่พิจารณาเลยเพราะพิจารณาไม่ได้ที่เรยไม่ยอมให้เราพิจารณาพอเราไม่พิจารณามันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่มีอย่างนี้คือมันไม่มีอยู่ในใจเราใจเราก็คิดแต่ว่าจะอยู่เป็นนานจะไม่เจ็บไข้ได้ปวดจะน่ามันจะรวยมากขึ้นไปจะมีตำแหน่งสูง ข, ขึ้นไปมันจะคิดแต่ทางนี้อย่างเดีวยว พอไปเจอของเก็เข้ามันก็เลยตกใจอพอไปแก่ขึ้นเวลาดูหน้าตาในกระจกเอ้าทำไมหนังมันเหี่ยวขึ้นมาเอ้าทาไมผมมันเริ่มมีสีขาวเพิ่มขึกก้นมามิตโตกังวลก็เกิดขึ้นมาแล้วพอเจ็บตรงนั้นน่อยปวดตรงนี้หน่อยก็เริ่มนิดโกเฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าต้องไปหาหมอแล้วเวลาไปหาหมอก็ใจก็ต่นเต้น ห, หมอจะว่าอย่างไรเป็นอะไรรูปะถ้าพิจารณายอยู่เรืนะ่อยๆแล้วมันไม่ต้องตื่นเต้นมันรู้มันต้องเป็นแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเมื่อไรเท่านั้นเองเนี่คือความต่างกันของผู้ที่ได้พิจารณายอยู่นเนืองเรื่องของความเสื่อมทั้ทงหลายเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องของการพักผ้าเกกันก็จะมีภูมิคุ้มกัน เวลาที่ได้เจอกับของจริงก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่เตื่นเต้งเหมือนกับการที่เราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเพราะเวลาฉีดวัคซีนร่างกายมันก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเวลาไปเจอโรคระบาดขึ้นมา โลกมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดยากเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันการพิจารณาปัญญานี้ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเองถ้เราพิจารณาบ่อยๆว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เรารักเราชอบถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนี้มันจะอยู่ฝังอยู่ในใจเราจะไม่ลืม แล้วพอเราไปพบกับเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเรจะรู้ว่าแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นแต่ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ท่างนั้นเองเป็นก็เป็นไปเองเพราะอะไรเพราะเราห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้เราไปเปลี่ยนมันได้ปเปลี่ยนมันไม่ได้เมื่อมันทําอะไรไม่ได้แล้วเราจะไปเตีโพลตีพายไปวิตกกังวลไปให้ เสียเวลาไปทำไมทำให้ทุกใจไปเปล่าๆทำไมก็ทำใจเฉยๆนี่ไนก็เท่านั้นเองก็ไม่มีความทุกข์ใจแต่เวลาฉีดวัคซีนใหม่ๆนี้มันจะมีอาการแพ้วัคซีนอาจจะเป็นไข้อ่อนๆขึ้นมาแต่ในเวลาที่เราพิจารณาธรรมะทางปัญญาใหมๆก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ชอบ เราก็ต้องพยายามฝืนพิจารณาไปบอกว่าเป็นเหมือนกินยาขมกินแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายคิดว่าเป็นการฉีดวัคซีนก็ต้องมีอาการแพ้วัคซีนบ้างหรือเป็นไข้บ้า ง, าางแต่เป็นพียงวันสองวันแล้วมันก็หายการพิจารณาอนิจังทุกขงังอนัตตาในสภาวธรรมทั้งหลายเวลาใหม่ๆโนจะฉพาเวลาที่ไม่อยู่สมาธินี้มันก็จะรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจบางเวลารู้สึกกดขู่ใจเท่าใจแต่ก็บอกว่านี่มันเป็นเป็นผลข้ามเคียงที่เกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนแต่หลังจากที่ใจเราได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วเราไปพิจารณาเท่าไหร่ก็จะไม่มีความรู้สึกานั้จะมีแต่ความสงบเพราะความจริงนี้จะทำให้จิตใจเราสงบ ถ้าจางเรายอมรับความจริงได้ไม่ต่อต้านต่อไปก่เลสก็จะไม่สามารถมาทำให้เราต้องทุกขไปกับความจริงที่ต้องเกิดขึ้นนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปตั้งแต่สื่อขึ้นไป ถ้าอยากภาวนาวนี้ก็ต้องถือสีแปเป็นหลักจะสีแปดแบงบแบบเป็มรูปแบบเรือไม่ต็มรูปแบบแบบก็ยังดีกว่าไม่ถือเลยเพราะในชีวิตของเรานะอาจจะไม่อาจจะต้องปรับให้มันเข้ากับภาวะของเราเช่อนอาจจะต้องรอถึงบ่านมงถึงจะรับประทานอาหารได้ก็ไม่เป็นไม่น่าจะเสียหายอะไรหรือถ้าเรารับประทานเพียงมื้อเดียว หรือราับประทานด้วยสติปัญญาก็คือมีการพิจารณาอาหารเลยปฏิกรูปสัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเวลารับประทานอาหารก็รู้ว่าไม่ได้รับประทานด้วยการมาฉันทะอานี้อันนี้ก็ ก, ก็ใช้ได้ไม่ต้องยิดแต่งรูปแบบต้งคนจะเทียวสิงห์จะต้องนุ่งขาวห่มขาวต้องไปนอนที่วัด ชาบ้านอันนี้ก็จะมีสีนอนุโบสถกันวัอนอนุโรสถเขาจะไปถือสีนที่ละที่วัดนล้ก็ไปฉุดมนในโบสถ์แล้วกวนอนในโบสถ์เนอะนอนจะข้างถึงสว่างเขาก็จะกลับบ้านกันถึงคขาเรี้กศีลอนุโบสถ ต, ต้องนอนในอนุโบสถ mm hmm. แต่การเจี่ยศีลตาก็เป็นเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะ กรจักรมิวงคือการมอาชันทะนี่งั้นถ้าเรารู้จักวิธีกรรมจักรนิวอนการอาชันทะนี่มันก็จะนุ่งขาวห่มขาวไม่แ่นก็ไม่สําคัญถ้าเราจําเป็นต้องไปทํางานแล้วเขามีเครื่องแบบให้เราใส่เราก็ใส่เครื่องแบบไปเป็นทหารก็ใส่ชุดทหารเป็นขา้าราชการหน่วยไหนกะ็ใส่ไปมันก็ยังถือยสูงแต่หน้มันไม่ต้องเสี มาอ้างว่าถึงสินต่ายไม่ได้ก็สไม่ได้ฉาบชุด ข, ขาวก็เราไม่ถือมาเลยกิเดสมันก็มีวิธีล้มเราทุกทีแต่เราเราจะทำความดีทุกทีกิเลมั น, น, นจะมาล้มเราด้วยเหตุผลย่อยๆที่ไร้สาระนั <c oughs> ้นมันก็ต้องเริ่มจากศีลแล้วก็เริ่มจากการสำรวมตาหูจมูกทิ้งกายรวมที่การจรสติอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทุกเวลาตั้งแต่ตืนนอนถึงหลับแล้วก็พอได้สมาธิก็ต้องระวังว่าอย่าไปได้มิจฉาสมาธิถ้าใจสงบแล้วออกไปเรื่องต่างๆได้ดึงกลับมาอย่าไปตามเรื่องต่างๆอย่าไปดูหนังนั่งไปดูหนังฟังเพลงตักข้างในพอหนีจากหนังข้างนอกก็ไปเจอหนังข้างในก็ไปดูหนังข้างใน มันก็ไม่สงบมันไม่เป็นอุเบกขาต้องให้มันเป็นสงบเป็นอุเบกขาแล้วพอออกจากความสงบนี้แล้วในขณะที่สงบก็อย่าไปบังคับอย่าไปดึงมันออกมาให้มันพักให้เต็มที่มันจะอยู่นานไม่อยู่ไม่นานก็ปล่อยให้มันอยู่ไปถึงแม้เราจะมีภารกิจการงานอะไรที่ต้องทำก็อย่าไปถือว่ามันสําคัญก่อนความสงบนี้ให้มันสงบเต็มที่ พราะถ้าเราสงบแบบนี้ใหม่ๆว่าเราเป็นเด็กมันออกมาท่านบอกว่ามันคือางหน้าจะให้มันสงบมันจะสงบยากในเวลาเป็นสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบขึ้นไปจนกว่ามันจะพอแล้วมันก็จะถอนมาเลยถอนออกมามันก็จะมารับรู้ยยเสียงเก่งก็มาคิดปรุงแต่งตอนนั้นเราก็ต้องเอาความคิดตรุงแต่มาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาอนิจังทุกข์ขันธ์ตา ในสภาวธรรมต่างๆเช่นรูปเสียงเก่งรศนามยศ ส, ย ส, ยสารเสวนสุขหรือกายยุทธัากายยุทธนาสัญญาสังขารอีอย่างคือการที่พิจารณาไปเพื่อตัดอุปาทายเพื่อตัดตัญหาความอยากถ้าตับได้ใจก็จะหลุดพ้นเป็นขั้นๆไปขั้ น, นต้นจะตัดภายใน ก, กันลรูปเสียง จะดูสิ่งกิริยลดตัดราบลดกัรละเสริญแล้วก็เข้ามาตักร่างกายเวิทยาสัญญาสังสารยีญาณแล้วก็เข้าไปตัดในจิตเพราะกิเลสมันจะถอยแล้พอตัดข้างนอกมันก็จะถอยเข้าไปข้างในถอยไปที่ร่างกายถอยไปที่เวทนาสัญญาสังสารยีญาณเราตัดที่นั่งตรงนั้นมันก็จะถอยเข้าไปในจิตก็ต้องตามเข้าไปในจิตแล้วก็ตัดมันันทั้งไม่มีอะไรเหลืออยู่ ถึงจาบรรลุได้เต็มน้อยเต็มขั้นอริยมรรคอริยผลจึงแบ่งไว้เป็นสี่สี่ขั้นด้วยกันคืออริยสดาปฏิมรรคสวดาปติผลสกิรานามิมกักคสกิรานามิผลอ น, นาคามีมรรคอ น, นาคามีผลแล้วก็ อ, ร, อรหัตตมรรคกับอรหัตผลน่าถึงจะไปถึงพระนิพพานที อลาตะผลกับภานิพพานนี้ทั้งยากว่าเป็นสองส่วนกันคือต้องได้อล า, าตะผลถ้าถึงจะเจ็บถึงจะเป็นนิพพานต่อไปนี่ก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือรางวัลเรื่องปริญญาของพวกเราของนักปฏิบัติทางธรรมะภาวนานและนิพาพานะคะ เขาที่ถือศีล8เนื้อศีล10ศีล2020ผู้ที่ออกบวชถ้าอยากจะบรรลุเร็วจบเร็วก็ต้องหยุดกิจกรรมอย่างอื่นเหมือนนักศึกษาถ้าไปเรียนนักไปยุ่งกับกิจกรรมต่างๆบางทีเรียนหลายปีก็นรียไม่จบเพราะว่าไม่ได้เข้าห้องเรียนน่าจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทน ผู้ที่ต้องการที่จะเรียนจบเร็วภายในเจ็ดปีเป็นอย่างชา้าก็ต้องวายวางกิจกรรมอย่างอืงอ่นทั้งหลายให้หมดมีสมบัติเช่าของ เ, ขเงินทางก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ไปออกบวดไปอยู่ตามป่าตามเขาตามสำนักที่ครูบาอาจารย์ที่มีประสบประการผู้ที่ได้รับเป็นนยามมาแล้วเป็นผู้สั่งสอนก็จะสามารถ จบได้ภ า, ายในเจ็ดปีอย่างแน่นอะนนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พวกเราพยายามปกิบัตะกายปฏิบัติกันขอให้มีวิริยะความสาหาะอย่าเสียดายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ว่าเอามาเป็นเอามาเป็นวัสดุก่อสร้างเรือนใจของเราเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ ลอยจากไปก็เหมือนกับเป็นการไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาสร้างเงินใจของเราแต่เราเราจะสร้างสร้างอาคารที่เราต้องมีวัสดุก่อสร้างเราต้องไปซื้อวัสดุก่อสร้างจำได้ถ้าเราต้องการสร้างเรือนใจเราก็ต้องซื้อวัสดุก่อสร้างของเือนใจก็คือทายสื่อภาวนาเรามีสมบัติเท่าของเงินทางเท่าไรก็ยกให้คนหนึ่งไปให้ม เก็กบไว้เท่าที่เราต้องการที่จาเป็นจะต้องใช้เท่านั้นแล้วก็รักษาศีให้บ่อยสุดถ้าภาวนาก็ต้องสีต่ำขึ้นไปเราก็ภาวนาจเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องเปเรื่อยๆไปหาสถานที่สงบสงบยิ่งๆอยู่ตามทา ง, งห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราทดลองได้ว่า ผลมันจะต้องเกิดแน่นอนถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันก็ไม่เป็นอื่นอ้ที่ผลไ ม, ไม่ไม่เป็นก็เพราะว่าเหตุมันไม่ได้เป็นเหตุมันมีแต่จอโทรทัศน์มีแต่มีแต่ตู้เสียงมีแต่เครื่องเล่นต่างๆเครื่องมันต่างๆมันก็เลยไม่ได้ผลที่เราอยากจะได้กันดังนั้นก็ขอให้เราพิจารณาดูที่เหตุของเราว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ เรากำลังปฏิบัติธรรมหรือว่าเรากำลังปฏิบัติก่เลสส่วนใหญ่นั้นตั้งแต่เป็นขึ้นมานี่ปฏิบัติแต่การ ม, มัจฉันทะตรงนั้นคิดถึงแต่รูปเสืยอกินลดตลอดเวลามันก็เลยไม่สามารถบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้เพื่อขอให้นำไปพิจารณาของพระเยอะ ม่จาไปถวายสังหารที่วัดพระาจาตันใช่ใช่ทราบว่ามีพาะเยอะนะสิ่สิบนะเาลาถ้าไม่พอฉันนั่งฉันนะต้องลงมานั่งล่างคนเป็นไหวากอะมากคนเป็นกลางเยอะมืช่วงเข้าเป็นสามีคนกวไยวทีอะไรอย่างเงี้ย ท่มีข้างลางตอนทช้าระเบียงเกิดเป็นสราวเป็นเมื่อวานคาอื่นท่านแต่ก็มีแขกเยอ่เย่างคุณรามหรออ่าก็มีแต่ก็เป็นมาเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นคนมาเป็นคนกลุ่มกันหลายกลุ่มแต่ก็มาสอนตั้งนานถาตังนาก็กว่าจะเป็นก็สี่งเครื่อง เอาลงมาก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งก็คุยไปคนนี้มาสนนั้นไปแต่เขาก็เลยความพอใจที่ว่าเขาได้มีที่ที่เขาได้ศึกษาได้ถามคำถามที่เขาไม่เข้าใจก็เวลาได้สอนธรรมะนี่มันก็ไม่เหมือก็เป็น เป็นบุญทุกอย่างนี่เป็นกุศลทุกอย่างนี้ยเขาจะาแสดงบุญว่าเกิดจากการแสดงธรรมนะหรือบเกิดจากการฟงังธรรมผู้แสดงก็ได้บุญเพราะเวลาแสดงธรรมจิตมันก็จะหมุนไปกับธรรมะแทนที่จะไปคิดเป็โหยงคนนั้นคนนี้โหยงเรื่องืี้โหยงเรื่องนีน้นนจิตจะมาพูดแต่เรื่องธรรมะคิดแต่เรื่องธรรมะจิตมันก็สงบแล้วมันก็เป็นเหมือนมีดอ มีนี้ยิ่งใชเก็ยิ่งคมสติปัญญาไี่ยิ่งใช้ก็จะยิ่งคมจะมีมีอะไรมีความรู้ควาสามารถในการที่จะสอนสอนในการที่จะตอบปัญหาได้ได้กว้างขวางขึ้นไปเพราะปัญหาแต่ละปัญหาของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเวลาเกิดปัญหาสติปัญญามันก็ต้อง คิดพ้นทำต่อออกมามันก็เลยทําให้สามารถที่จะพูดออกไปได้กวางขวางมากขึ้นไปสังเกตตามที่เราเทศใหม่ๆสมัยนี้รู้สึกว่ามันคนละสักอย่างเลยการเทศใหม่ๆนี่ต้องคอยคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าจะคิดจะพูดอะไรกลัวเดี๋ยวติดแล้วไม่ได้พูดแก็เราคิดในใจว่าวันนี้จะพูดยังจะเิดสถานสื่อ จะพูดยังพาละห้างแล้วพยายาที่จะบงังคับให้มันเทพอยู่ในวงที่เราคิดไว้มันก็เทพไปแล้วมันก็บางทีก็ไม่เป็นธรรมชาติบางทีเราพูดถึงเรื่องนี้แนละ้วมันมันจะพาออกไปจากเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดเราก็เดิน ม, มันกลับมาพอเดินกลับมามันก็เลยขาดตอนเรื่องมันไม่ต่อเนื่องแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่บงังคับมันลนะ บางทีมาต้องไม่รู้จะพูดอะไรก็มาพูดดับคุยกันมาแล้วก็มีเรื่องอะไรก็ปล่อยให้มันพาไปแล้วก็พยายามประครับประคองเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมในขณะที่เราพูดเรื่องเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่ขยายความมันไปด้ว่อยๆการแสดงธรรมนี้สำคัญที่การขยายความการยกตัวอย่างเพราะเวลาพูดแต่เนื้อเนื้อหา ข้อหัวข้อนี้มันจะถ้าคนที่ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาได้ด้วยตัวเองก็จะไม่เข้าใจเช่นคาว่าให้มีสติเนี่ยคนฟังแล้วก็จะแตกไปได้หลายอย่างด้วยกันให้มีสติหมายถึาไม่ให้ถึงบ้าใช่หรือเปล <c oughs> คนที่ไม่มีสติเขาเรียกว่คนบ้าเนาะ <c oughs> มันไม่รู้ว่ะบางทีก็ต้องต้องมีการขยายความเพราะ คำคำพูดแต่ละคำของแต่ละคนที่จะแปลความหมายไม่เท่ากันเพราะระดับสติปัญญาของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันภาษาเดียวกันแต่การแปลความหมายของภาษาเนี่ยมีความนึ่ตึงหนาบางไม่เท่ากันเังนั้นจึงต้องมีการขยายความมีการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ที่ชัดเจนที่ถูกต้อง ไร่พุเจ้าเวลาแสดงธรรมแต่ละครั้งมักจะมีตัวอย่างเสมอทำให้เวลาเวลาฟังแล้วจะเข้าใจเมื่อตอนต้นท่านพูดถึงเรื่องของผู้ที่สามารถรับรสชาติษษษษได้นะครับกัพุทธาธรรมจนจนดูยอดหลังเรื่องเรื่องชาติพบได้เนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องการปรับกรรมฐันหา ถูกนี้ครับคนละเรื่องกันแน่มันหนึ่งความความรู้พิเศษความรู้พิเศษใช่ไหมซึ่งแต่มันไม่เกี่ยวกับการไปตัดกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเหมอกับการที่มีความสามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับกายที่ต่างๆได้พวกนี้ยังอยู่ในโลภิยธรรมยังไม่ได้เข้าสู่โลโลกุตระธรรมคือยังไม่ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน มาผลนิพพานนี้ต้องเรื่องของตายรักอย่างเดียวเรื่องการเห็นตายรักในสภาวะธรรมทั้งหลายถึงจะเป็นถึงจะเป็นบังผลนิพพา์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเห็นแล้โยมบางท อ, อรู้จักครูบาอาจารย์ที่มีรู้วารและจิตนะที่รู้จักสิ่ ง, งต่างเหล่านี้และสามารถรู้พบพบชาติได้เนี่ยโยมคงมักจะเข้าใจหรือว่าวินิจฉัยว่า อันนั้นวางละซึ่งกิเลสทั้งปวงใชมันคนละยานซึ่งมันคนละยานกันทก้งหมดแต่ใ <มา S 1> นทางความรู้ที่มักจะเกิดตามมาได้สำหรับผู้บางท่านเป็นที่ก็ที่จบที่มีผ้าหลัสีจําพุกอืพวกที่บรรลุญาณสามได้คือหลังจากที่บรรลุตรงนั้นผ้าหันแล้วก็ยังบรรลุญาณสาย่างสามาสานี้ไม่ก็ไม่ทราบว่ บ, บรุก่อนแล้วบรรลุหลังไม่ได้แสดงว่า แต่มันมันน่าจะบรรลุก่อนก็นได้าเพราะมันในในข่ายของ<ม>ในท่านของสมาธิเช่นการระลึกชาติได<ม>ก้การรู้การตายการมาของสังข์ว่าตายแต่ยาไปเกิดเป็นอะไรต่อไป ม, มาเกิดเป็นอะไรในท่านนี้เพราะไปทําอะไรมาในอดีต ม, มันเรียกว่าเป็นยามบัญญัติสัง ผลเพื่ที่ได้นวิทเนี่ยจะมีมีวิทที่แต่งกายด้านเหาะเหินเดินนการด้นมีก็เป็นเ่งเป็นความความสามารถอีกอย่างนี้แ่แต่ก็ไม่ใช่เป็นเป็นนับผลที่ผ่านตรงนี้เป็นเป็นผลทอย น, นา้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสมัยก่อนที่บำเพ็ญและได้เป็นยวิชาหรีอจะครูบาอาจารย์ต่าง เพราะในแต่ละพบในแต่ละชาติที่เราเกิดมาเ mm hmm. ป็นมนุษย์นัน้นเราไปบำเพ็งส่วนใหญ่ที่ จ, จะเดินบำเพ็ญระดับสมาธิกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา แ, mm hmm. แล้วก็จะมีวิชาต่างๆที่สามารถได้มาจากการทำสมาธิเช่น mm hmm. ทางก่อนเคยเล่าว่ามี mm hmm. มีมีมีวิชาเรียกเียกเรียก mm hmm. เ, ยเยสือเข้ามาให้ถี่ได mm ้ hmm. ให้ท่องคาถาอะไรสักอย่างนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเสือนั้นได้ยินแล้วมันก็จะเดินสลึมสลึให้เราขึ้นขขไปขีมได้ทังผู้ที่มีวิชาเหล่านี้ก็ไม่ไม่เสมอไปว่าจะบรรลุธรรมแล้วหรอ ย, อยังอาจจะก่อนหรือหลังก็ได้ น, นี่อาจารย์พุธอาจารช่วงมันมันเป็นโลภะมา ม, มันไม่ได้เป็นโลภุจระฐาตามพุทธประวัตินี้พระเจาท่านท่านท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาสามนี้ก่อนถูกไหมท่านอาาร ก่อนที่จะก็ไม่ได้มีไม่มีการสแสดงไว้ไม่ได้สนนะไสแสดงไว้มมีการแสดงไว้แต่ถ้าวิเคราะห์ด้วยด้วยด้วยการปฏิบัติทั้งสามขั้นคือสีลสมาธิปัญญาก็จะแยกได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนพวกพวกนี้พว ก, พวกยายต่ า, า, างๆอาไรที่มันอยู่ในขั้นสมาธิทั้งนั้น นอกจากท่านปฏิภาณเนี่ยบรรลุปฏิภาณนี้อีกนี้ก็มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นทางสามารถที่ที่ติดตัวของกับผู้ผู้นั้นมาเป่นผู้ที่ชอบวิเคราะห์ชอบพิจารณาชอบเวลาเวลาจะอธิบายเรื่องอะไรให้กับคนหนึ่นฟังก็มักจะสามารถขยายความสามารถยกตัวอย่างให้ตรงนี้ก็พอมาเข้า พอมาศึกษาทรามาบรรุธรรมก็จะสามารถเอาทรรที่ตนเองจิดได้บรรุนุนี้มาขยายความมายกตัวอย่างให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจนนี่ก็เป็นความสามารถอย่างนึ่ของพระนั่น ช, ชุดที่สี่คือมีปฏิภานในการแสดงธรรม เช่นพระาเนี่ยจยกยมาเป็นผู้มีปฏิพัน์บรรลุทางปฏิพันธ์แสดงทางส่วนพระโมคคัลลส่งยกย่องมาเป็นผู้ที่บรรลุทางอิทธิฤทธิธ์แลาีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่งบรรลุทั้งทั้งหมดทั้งาสารทั้งอิทธิฤทธิธ์และทางท้งปฏิพานธนี่อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะ บางเทพนบางลุกเป็นพระพุทธเจ้าได้ในแต่ละภพแต่ละชาติก็คงจะศึกษาวิชาต่างๆวิชาเหล่านี้มาก่อนเพราะวิช า, าเหล่านี้มันไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาแต่งตัวสอนมันมีวิชาที่มีพวกฤาษีต่างๆได้ศึกษากันมาได้สืบทอดกันมาอยู่ตลอดเวล า, าแต่วิชาของพระพุทธเจ้าคือใจรักนีนนน่พอหายใจจากโลกแล้วมันก็จะหายไปเลยไม่มีทางรู้ วิชานี้ก็ทาบว่าหับผู้ที่อยาไม้บรธรรมเนี่ยได้วิชาลานี้แล้วเคลื่ อ, อ, อการที่จะมาปฏิบัติให้สูุ่รธรได้ไหมฮะหรือว่าจะเป็นมันมันเกือนหนุนให้เกิดกิเลสคนทุกคน <ง S 1> อยากจะมีธิ์กิเลสมีอาวาสนาเหนืผู้อืือเป็นเป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสนั่งสมาธิแล้วตนเองมีตาทิพย์นี่นั่นนี่ ก็จะเป็นเครื่องมือของจิตลจให้มาหาเงินหาทองได้ใชพอคนรู้ว่าความนี้ตาที่หูที่ลูก็โหวะเหอกันเข้าไปจ่าคนอยากจะรู้ว่าเห็นอะไรบ้างรู้อะไรบ้างพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยการเป็นหมอดูไปดูทางไหนก็ดูทางไหน คนที่สามีหายไปก็อยากจะรู้หายไปอย่างไรตามหาสามีตาหาลูกตามหาอะไรก็เนี่ยไปหาคนนี้ใช่ไหมเฮ้เขาไปไหนช่วยดูให้หน่อยนี่สถหรับผู้ที่ปฏิบัตินี้ถ้าบอกว่าเกิดมีวิชาี่นทรียขึ้นมาเองนะอาจารย์ถ้าไม่ระวังก็หลองคุณมัจะไม่ไม่ไม่รู้ทำมันจะไม่ออกทางปัญญา เพรานั่งทีไรก็จะนั่งดูให้อยากจะให้มีมีความรู้นี้แจก้ระคือมั น, จ, กะกนจะได้นามาใช้ทำงานอาชีพได้เพราะฉะวิธีที่จะตัดสินเหล่านี้ก็ต้องต้องย้อนกับไปที่มันก็มันอยากไป<ม>ยึดกบับมานถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็อยากจะเลือ<ม>่อนกับมัถ้าเหมือนที่หลวงตาคอจางคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วแกก็ชอบเล่นภายในเวลานั่งทีายเห็นอะไรก็ชอบไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็ว่ากคือว่า ไม่ให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นกี่เลยให้เห็นอนิยัสสัจสี่นี้ไม่ยอมเห็นเลยพราะเวลาเห็นอนิยัสสัจสี่มันเจ็บไยทุกข์มันเจ็บทุกแล้วมันไม่อยากจะมองมันไม่ยอมพิจารณาว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากอะไรจะทําตามความอยากทันทีแทนที่จะดับความอยากทุกข์เพราะอยากจะดื่มกาแฟองนี้ การจะลองพิจารณาว่าเอยเราทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากไปดื่มกาแฟถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปดื่มเลยไม่อยอมี่จะรณไม่เจริญมากไปพอทุกข์ละหิวกาแฟไปเลยไปหากาแฟพอได้ดื่มกาแฟแล้วนะชืว่นใจนี้หาห้ทุกข์แล้วแต่หารูไ้ไหมว่าต้องทุกข์อย่างนี้ไปตลอดชีวิตต้องติดกาแฟไปจนวันตาย แต่ถ้าใช้ปัญญาก็หน่อยดูว่าเออเราทุกใจเพราะอะไรอริยสัจสี่ท่านแสดงไว้ทุกข์เพราะความอยากอยากกาแฟ้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ละทางอยากเรื่ทุกข์ให้กำหนดรู้พอรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสมุ ท, ทยัยสมุทัยก็ต้องละพอละแล้วนินโรธก็ปรากฏขึ้นมก็ทํานินโรธให้แจ้งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกาแฟก็หายไป ออกไปก็ไม่ต้องหยิบกาแฟสบายไม่ต้องมาคอยต้มน้ำมาคอยนะถ้วยหายหากาแฟเวลามันหมดน้ําตาลเวลามันหมดแล่วอย่างต้องมีขนมกินคู่กับคกาแืเป็นการมาฉันทางนั้นเนี่ยที่ไม่เห็นกันก็เพราะว่าเกลือนมูอํานาจมาก ในเวลานั่งสมาธิลักสู้เห็นไม้นี่ดีกว่าเห็นสวรร์เห็นนรกเนั้นมันเพื่อเทิงเั้นดูหนังต่ออกมาก็มาเล่าให้คนอื่นฟังได้คนอื่นศรัทธาก็อาจจะให้เงินให้เทองให้อะไรจนจนเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกความรู้ต่างๆอังนี้มันก็เลยเป็นเครื่องมือของผีเลย เดราะฉะนั้นก็ให้ดึงกลับมาที่เป็นสมถะครับให้มันว่างให้มันไิไงน่งให้สงบให้มันเป็นอุดมค<อ>รับะครับ้วละกิเลสทำ ง, งานไม่ได้เหมือนจับเอ า, ากุญแจมือจับถูกก็กลับกิเลสไปเวลาเหานสมาธิแบบนั้นกิเลสจะ อ, าาออกามาออกออว่าวามันลายไม่ได้แต่สุวนมากก็จะหลงไม่กับความสามารถพิเศษที่มีขึ้นมาก็อาจารยตัวต้วตว กอยากจะใหญ่เราคนเองเก่งเราคนเองดีเราคนเองก็เลยยิ่งยกตนขึ้นใหญ่เลยนะท่านอาจารย์ถ้าอย่างนี้ในศาสนาอื่นเพราะว่าก็จะมีความรูพีแต่มีแต่มาต่างกับศาสนาพูทตรงอริยสัจสีนี่เท่านั้นมีศาสนาพุทธนั้นที่มีนรกผลนิพพานศาสนาอื่งจะมีแค่แค่สมาธิแล้วก็มีวิมีอะไรต่าง ดังนั้นการปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นการกระเทือนกระเทือนต่อตายภพมากเพราะมันทําลายตายภพดูที่กระเทือนตายภพก็เคือตัวกิเลสมกระเทือนกิเลสกิเลสมเป็นเจ้าตายภพอวิชาเป็นเจ้าของตายภพเป็นผู้ที่เป็นตัวที่สั่งให้สั่งโลกทั้งหมดนี้ไปเกิดในภพต่างๆเอวิชาตนี้ กิจอาปิยาสังขาระซึ่งในพุทธวจนะก็คือพยายามานดังนั้นในรูปแบบต่างๆแต่ความจริงมันก็เป็นเป็นงานมาทำที่อยู่ในใจนะคือความหลงนี่ความหลงว่าความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่ว่าอยู่ที่การนันี่นั่นี่เป็นนั่งเป็นนี่แต่หาว่าความสงบ ความสุขที่แท้จร่งคือการไม่มีอะไรเลยคือความว่างตระมังสูงยังไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างศักแต่ว่ า, ารย้อย่างเดียวเวลาเป็นสมาธิมันก็เป็นนิพนะพานนะแต่มันเป็นนิพพานชั่วคราวหรือเป็นนิพพานตัวอย่างนนหนังๆตัวอย่างพอออกจากสมาธิปั๊บนิพพานนั้นก็หางไปแต่ถ้าเป็นนิพพานจริงมันจะไม่หางมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดจะเป็นอุเบกขาศักแต่วาารรย์อยู่ตลอด ถึงแม้ว่าจะรับรู้เรื่องอะไรต่างๆรู้รูกเสียเกลิ่นรสรู้อะไรแต่ใจมังไม่ได้ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่รับเลยมันสัจจะก็ ร, รู้มันเป็นการอยู่ตลอดเวลามันอิ่มตลอดเวลามันพร อ, อยตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมามา ก, กน้อเกอะไรจะเสียอะไรมากมาอยไปเกินอะไรก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เสีย <c oughs> ถ้านั่งแล้วมันเป็นสมาธิ ถ้าบางขณะบางครั้งมันก็สว่างเบาสบายแต่บางครั้งที่ให้มันวู่มืดหายไปเลยเหมือนกับนอนหลับทีนี้ไอ้ความต่างอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆไอ้ตัวที่จะเรียกว่ามิาจฉาสมาธิก็ตัวหลังไม่เหรอไอ้ที่วู่นลับไปก็สติไม่มีกําลังมังนสบงบหลับไป จิตนั้นจะสงกละแต่มันมี ม, น ม, นมันมีประตูเข้าสองประตูคือประตูสมาธิกับประตูหลับนี่นเข้าประตูหลับเมันสอ่อ น, นมันนั่งหลับไปได้3าชั่วโมงเลยหลับจริงหลับจริง ถ้ามีสติแล้วจะเดินให้มันเข้าไปในสมาธิแล้วคือพอดีมันเพิ่งเกิดเพราะว่ามันมีอาการปวดแล้วตอนหลังเนี่ยลูกจะชอบดูไอเวทนาทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นดูอาการเวทนาหรือว่าจริงๆเวลาสอนเนี่ยมันจะดูอาการของไอปวดตัวนั้นหรือมันดูตัวพูดอยู่ดูตัวใจว่ามันีสติริยากรรมยังไงทีนี้ถ้ามันเฉยๆสติปัญญากรรดูอย่างนี้มันก็เฉยก็ได้ก็ปวดอยู่ก็ดี แล้มันก็พูบหายไปเลยปวดมากแต่วันนี้ก็ดูดูอยู่เอ๊ะทำไมมันหลุดไปก็เป็นอางนันแหละเพมันปวดมากมันปวดซึ่งซึ่งสภาวะตรงนี้เนี่ยเราเช็คตัวเราเองได้ใช่ไหมว่าเราสติเรายังอยู่ปัจจุบันหรือไม่มันไม่ทนเรานกลางหรือไม่การเราไป็รอ่แบบท้าหรือไม่เนื่องเฉยหรือเปล่าเรื่อหวั่นไหวหรืออยากจะให้มันหายมีอะไร ไม้ตัวรู้อยู่รู้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอืมันเห็นมันรู้ตลอดเวลาแ่มันเหมือนเาม็นอมันปเลถ้ามีสติพอป้มันก็จะอึบแล้วก็จะเช้แล้ก็จะไม่ฟไม่หายเราจะรู้ว่าเราไม้ชนาเป็นยาง้นต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันได้เขาจะเจ็บก็ฝ่ายเขาเจ็บไปเราไม่เจ็บเพราะย่า เมื่อก่อนนี้เพตอนหน้าที้เราเก็บกับเขาด้วยเราอยากจะให้เขาหายแต่เดี๋ยนี้ใจเรามันตับเขาได้ป่อยวางเขาได้มันก็จะเฉยเวทนาก็ไม่หายใจก็ไม่ไดหายต่างขวายต่างก็อยู่ื่องกันได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือบางทีเวทนาหายไปด้วยก็มีแต่ใจไม่หายเหลือแต่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นได้ท่านอาจารย์ <c oughs> รูกไม่เข้าใจเรื่อง ที่ท่านอาจารย์บอกว่าสติมันหมดแรงแล้วแล้วมันก็รูปหลับไปคือสติมันตอนกําลังเหมือนเหมือนคนทํางานมากๆมันก็เหนื่อยมันก็หมดแรงมันก็อยากไปนอนสติที่เราได้เจริญมามันจะมีกําลังในระดับหนึ่งพอเราเอามาใช้งานมันเข้าไปพอมันถึงขีดของมันมันก็จะหมดแรงแล้วนั่งที่ก็สบากไปบเลย สกติถ้ามันนิ่งมันจะไม่ยิ่มีกํำลังมากขึ้นไม่ไอ้นี้ไม่ใช่ปกติไอท้ที่ที่จิตไอ้ที่นิ่งก็คือจิตที่จิตมันยังไม่นิ่งเลมันยังไม่เข้าถึงจุดนั้นมันี้ไม่ถึงจุดนั้ น, ม, น, ม, น, นมันหมดแรงซะก่อนเหมือนขนเข็ดคคกขึ้นภูเขาก็จะถึงยอดนา้หมดแรงก็มันก็ไหลไหลกับลงมาโ น, โนอนคกทับนอน <laughs> ับหับัวแแบบท่อยครั้งพวกเราเป็นอย่างนี้ส่วนทับหัวแบนเรื่องสตินี่ ส, สําคัญนะกสตินี่เป็นกุญแจแว่าคือเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นี่เร า, าต้องมีกุญแจสามดอกเพราะมีประตูสามประตูประตูแรกก็คือสติสต พอเราเปิดประตูสติได้ล้วก็จะเข้าสู่สมาธิได้ <Okay. S 1> พอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถพิจารณาปัญญาได้พอเราได้พิจารณาปัญญามันก็จะดุจได้ mm hmm. มัมีสารติมการที่ศีลสมาธิปัญญาท่านจะไม่ได้แทนสติคนเรไรนึงเรื่องความสําคัญของสติไปที่ว่า ร, รักษาศีล น, นั่งสมาธิเปินปัญญาเราก็จะรก็จะวิมุติดุจได้ mm hmm. แต่รู้แต่ว่าจารจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนพระพุทธจา้าทแสดงว่าสตินี่สาคัญมากงเปรียนว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งปัญญาถึงว่าจะเป็นราชสีเป็นตัวที่สําคัญมากแต่มันก็ยังรอยเท้าก็สู้รอยเท้าช้างไม่ไดนะ้เพราะปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิ นั่นส ต, ติต้องมาก่อนในเรื่องของการภาวนาถ้าอยากจะทําจิตให้สงบก็ต้องมีสมาธิมีส ต, ติควบคุมจิตไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้เกิดการคิดคุ้มซ่าต้องพอได้สติแล้วมันก็จะมานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้บางทีนั่งแค่ห้านาทีก็สงบแล้วถ้ามันอยู่กับอารมณ์ที่เรากํหาหนดไว้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปที่อื่ แล้วพอออกจากสมาธิก็จะสามารถรานะพิจารณาปัญญาได้เพราะจะไม่มีกิเลมารบกวนชาตอารมณ์ที่ไม่ดีต่อต่อการพิจารณาคำว่าการพิจารณาอันนั้นในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เหมกับคิดได้ในวุคลันั้นเกิดขดถูสรรถเมษอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้นนะแต่พอจําหมือนเรื่องเดินมาอีกแค่ มันอย่างไอตัวความรู้สึาากบางอย่างนี่มันก็ยังซ้ำอยู่อ่ะมันไม่ได้ว่าตัดขาดเลยเพราะเรายังไม่ได้ตัดไปยังไม่เห็นใจรักเราไม่เห็นว่าเราทุกข์กับเขาเพราะความอยากของเราเพราะมันก็ยังมีเรายัางอยากให้เขาเป<ว>น็นอย่างนั้นเป็นอย่างนางี้อยู่เพราะเราอะช่ aw, างหัวมัวนมันจะเป็นจะกายแคเรื่องของมันี kee, ต่อไปเจอเขาก็จะไม่มีปัญหาแต่เรายังอยากยังห่วงเขาอยู่ยังห่วงเขาอยู่ยังไม่ได้ตัดจริง ถ้าตัดกินงต้องเห็นว่าเขาเป็นเพียงดินยางลุงไฟงักตาเป็นเหมือนฟองยางพวกเราที่เป็นเหมือนฟองยางเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมนี่หละฟองยางมันดับเร็วกว่าเราทั้งนี้แต่มันก็หายจะเหมือนกันร่างกายเราพอตายไปปั๊บมันก็หายไปไม่มีอะไรอยูมองไม่อยู่นอกจากประวัติที่เขาเขียนเนื่องเสียงางศบทั้งนี้เรือดลูปภาพที่ถ่ายไว้อืม แต่ของจริงนี่เหมือนฟองน้ําแต่เราไม่ไปเห็นฟองน้ําเราไปติดสมมติไปเห็นว่าเขาเป็นพ่อเราแม่เราเป็นเจ้าห น, น้าเราเป็นลูกเราเป็นล้านเราอันนี้เป็นชื่อเป็นป้ายที่ติดอยู่กับกับกับฟองน้ำของจริงนี่นมันึเพียงฟองน้ำเองนี่จะว่าเป็นพยัพแบบกแดดไปนล้ว ยะยาบแบบนี้เวลาเราไปอยู่ในการทะเลาหิวน้ำนี่มองไปจะเห็นแต่น้ำพอไปถึงที่เรือเที่ยวจะมีน้าไม่มีอันนี้กะเหมือนกันเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุกคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นกษัตริย์เป็นขอทานเป็นเศรษฐีเป็นอะไรต่างๆมันเป็นเหมือนยายามแบบ พอมัตายไปมัอนเหลืวอะไรไม่เหอะไรอยู่ยแต่เราไม่คิดแบบ น, นี้เราก็เลยให้ความสำคัญกับฟองน้ํากับร่างกายเองพอร่าการนี้เป็นอะไรเราก็เกิดความยึ่ติดเกิดความไม่วาจารขึ้นเนี่ยคือทักต้องพิจารณาแบบนี้ปัญญาปัญญา น, นี้มันพิจารณาไปว่ามันจะไปอย่างกว้างขวางค า, าว่าทา่จำทุกขาน้างกายนี่ยังเป็น เป็นความจุดเป็นจุดเริ่มต้อนกันเลยพอขยายความไปเรื่อยๆมันจะกว้างไปเรื่อยๆกว้างไปเรื่อยๆในพวกเราไม่ค่อยชอบพิจารณาไงถ้าพี่แต่ว่าจะหาเงินมากินดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะหาเัินที่ไหนดีทำงานจะได้เงนมากมาก ในกรณ์ที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้ที่อย่างที่เราเดินไปกับเพื่อนเราเรามีความรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องตายแล้วไม่นานเขาก็ตายจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์สอนไปที่ว่าเราจะใช้เป็นปัญญาที่จะยังไงจากโลกิยะให้เป็นโลภุตระธรรมโดยที่จาลงสู่ไปรักทั้งหมดอย่างอารย์ยุทิใช่ที่ใจไงขยายย่อยก็คือความเราต้องพิจารณาความจริงของเขาของร่างกายว่าเที่ยงหรืไม่เที่ยง จะอยู่ตอนไปลไหลอนะีดหรือไม่เกิดแล้วม่ดับหรือเปล่ามีเกิดแล้วมีตายหรือเปล่ามีใช่ไหมแล้วเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างอื่นไปได้หรือเปล่าเขาเป็นอะไรเวลาเขาตายไปเขากลับไปสู่อะไรก็ทงได่เลยเราไม่ยอมมองกันไม่ยอมพิจารณากันก็ไปคิดว่าเขาเป็นในกอในคอ เป็นพ่อเราแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นลูกเรามันไม่ได้เป็นอันนั้นเป็นสมมุติเป็นชื่อเป็นป้ายที่ติดอยู่กับก้อนดินน้ำลมไฟเนีย่ยมันมีสมมุติมันมีความจริงสองส่วนอยู่ในเส้นเดียวกันสมมุติกับกับวิมุตติปานามัตติสัจจะกับปรมัตติสัจจะสมมุติสัจจะกับปานามัตติสัจจะ สมุติสัจจะก็คือเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกนายข้ อ, ขอเป็นเจ้าเป็นบ่าวส่วนปรมัตตสัจจะก็คือเป็นดินาห น, นุนฟ้าเป็นผมขเนเม็ดฟันหนัง เ, เอ็นก็ะดูอาการทารที่สองแต่ยังไม่เป็นมองปรมัตตสัจจะเราไปมองที่สมุติสัจจะกันก็ เ, เป็นของเรา เป็นสามีเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆอยู่กับเราไปนานๆพอเขาไม่อยู่กับเราไปนานๆเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเราพิจารณาว่าเป็นไใจนะว่าเขาไม่อยู่กับเราไปนานๆเขาเป็นเพียงลมน้าำลมไฟเราก็เดับความอยากได้เวลาเขาเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ใจไปกับเขา เราอยารียต้องเห็นปรมาทสัจจะอยาไปเห็นสมมุติสัจจะอย่างเดียวสมมุติก็รู้แต่สมมุติแต่ปรมาทสัจจะนี่มันมันเหนือกว่าสมมุติสัจจะมันเป็นความจริงที่แท้ททจริงส่วนสมมุติสัจจะนี่เป็นความจริงไหมือน ก, กับเล่นละครเหมนเราเป็นตัวละครแล้วเขาก็กำหนดให้เราเล่นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไร เป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นผู้ร้ายแต่ความจริงเราเป็นเพียงตัวละครพอละครจบพวกเราเราก็กลับบ้านออกมาจากโรงลครก็เราก็ไม่ได้เป็นตัวผู้ร้ายหรืเป็นพระเอกเป็นนางเอกมันง่ายจะตามเลยทไมต้องคิดให้นี้ จะมองว่ารา่างกายของเราเหมือนกันหมดก็ได้หรือจะมองว่าไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่เราจะมองสัจจะอันไหนถ้าเรามองสมเมตจะสัจจะมันก็จะไม่เหมือนกันมันมีสูงมีต่ำมี มีความรู้ความสามารถมีตําหน่มีเทศที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าลองทางปรมตสสัจักมันก็เหมือนกันหมดมันเป็นดินน้ำลมไฟแต่จะเห็นดินน้ำลมไฟนนี้นต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นหรือตั้งแต่เมื่เริ่มเก่อตัวขึ้นมางานการนี้มันเริ่มเก่อตัวด้วยน้ำสองหยดไม่ยากของพ่อหยดตรงแม่หยด ในน้ำนั้นมันก็มีธาตุดินสมอยู่นะมีธาตุายซ่อนอยู่นะมีธาตุลมซ่อนอยู่นะพอมันรวมตัวกันมันก็เริ่มเริมขยายขยายตัวถ้าตั้งสมมติแบบนี้นะขนาดยามมัรู้สึกยากอ่ยถ้าถ้าดูเหรอไหมันรวมตัวคือถ้าเราจะมองให้วอามันเป็นธาตุเนี่ย ตัวมันก็จะเร็วหรือขั้นจนกำลังเราจะพิจารณามันไม่ไัหรือเปล่าอย่างเช่นเขาบอกว่ามาจากพ่อกักแม่เป็นน้ำสองหยดอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันยากมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนต้องจำหรือต้องอะไรอย่างนี้ไม่ต้องจำก็ไปดูข้อผสมเพียนข้าวไฟน้ําของพ่ออยู่ข้าวไฟน้ำของแม่สมกันพอผสมกันแล้วเดินมันก็ขยายขยายตัวของมันแล้วเราก็ต้องเติมอาหารเหมันเติมธาตุเข้าไปให้มันเติมน้ำลงไปเข้าไป แต่เราไม่เรียกบบมมว่าดินน้ำหนึ่งฝ่าเรียกเป็นโปรโตีนบาเป็นไขมันมาเป็นอะไรบ้างแต่เป็นก็เป็นดินน้ำหนึ่งฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิจรารณาออกให้มันเป็นภาตุสีออกมาให้เห็นก็เห็นนี่เลยอย า, ารย์รวมตัวของธาตุแล้วก็เติมธาตุก็ไปเรื่อมันก็ย่า่ขึ้นเรี่ยเรื่อยพ อ, ยๆๆอมันใหญ่เขาก็เอาไปเขาก็าไปเอาไปใส่ไว้ในทันแล้วก็ัาาย ธาตุเกลของแม่เป็นเป็นตัวหลอกเลี้ยงแม่ก็ต้องกินน้ำยืนมน้ํารับประทานอแล้วก็เอาบินเอาธาตุทางทางทางแม่เข้าไปแล้วก็โตจนกระทัง่งอยู่ในท้องไม่ได้มันก็ถูกขอดมาพอออกมาก็ทาําไรก็กินน้ำกินดินกินยิมมันก็ดำเข้าไปเลยงงเวลาจเจริญนี่ก็การเข้าของธาตุมันจะมากกว่าการออกของธาตุ การจะการขยายตัวการก่อตัวมันจะมากก็ต้องกินอาหารมากแต่พอไปถึงจุดที่มันจะเป็นเต็มที่แล้วตรงนี้มันก็ไม่กินมากแล้วมันจะกินน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วมันก็จะกําลังที่มันถูกให้มารวมกันนี้มันก็จะออกกาลังที่ต้องการจะแยกออกจากกันมันจะมีมากกว่าในที่สุดร่างกายมันก็ต้องชํ็ิคทุกข์รศมเอาไว้อย่างการทํางานไม่ได้เพราะว่ามันถูกความเสื่อมนี่มันมา ทำให้การทํางานทของมันมสามารถทําไปได้เพราะมันทําไม่ไหวมันก็หยุดทํางานพอหยุดทำงา น, ง ท, งานท่าทั้งหมดที่ในนี้มันก็จะแยกกันไปน้ำก็ไหลออกมาลมอากาศก็ไหลออกมาลมเปนกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่เรากิ่นได้นม ก, กลิ่นของคนตายนี่ก็ลมนะไฟเราไปจับดูเลยมีไฟเหลืออยู่นะเย็นไปหมดนะก็เหลืออยู่แต่ดินเนี่ย ก็คือส่วนที่เป็นส่วนแข็งเหนวเนื้อเอ็นกระดูกมันก็จะแห้งกลอนทิ้งไว้มันก็จะแห้งกอถ้าไปเผาไฟมันก็ตายบนที่เท่าที่ฐานไปหรือเศษกระดูกถ้าเป็นคนธรรดาก็เรียกว่ากระดูกถ้าเป็นของพระของพระอริยะท่าก็เรียกว่าเป็นพระธาตุพรธาตุเหก็พรธาตุต้ก็บอกพระธาตุเขาเรียกของ่านั้นเอ ไม่ไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เป็นธาตุอะไรนี่มันก็ธาตุนะต้นไว้อะไรนี่มันก็มาจากท่าตุต้นไม้มันต่างจากคนกับจักก็คือมันไม่มีท่ารู้คือใจมาจับจองเป็นเจ้าของแค่นั้นเองแต่มันก็มีการเจรเิญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อดับไปเหมือนกันต้นไม้ที่ถูกไปานานๆเท่ามันก็ต้องตายสักวัน เวลามันตายมันกลับไปคืนเองนะทีทม่มันก็ผุตายเป็นดืนไปเนี่ยมันเป็นาการรีไซเคิล ข, ของธาตุตลอดเลยว่าพวกเราไม่มองกันในในแง่งของธาตุไป ม, มองว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นเจ้าเป็นบา่าวแล้วสายต่างคนต่างมีใจที่มีความสามารถต่างกันมันก็เลยทําให้มีคว า, ามแตกต่างกัน คนฉลาดก็เป mm ็นอย่างหนึ่งคนโง่ก็เป็นอย่างหนึ่งคนดีก็เป็นอย่างคนไม่ดีก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจใจเข้ามามีส่วนด้วยเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีจใจเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายของเราทุกคนคงจะเป็นเหมือนต้นไม้เหมือนกันหมดนี่คือการศึกษาอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตน เป็นธาตุสีตัวที่เป็นมามาทําให้เป็นตัวตัวนนี้เรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมก็คือใจเราเนี่ยถ้าเกิดมาเราไม่เคยดูใจเราเลยเราไม่รู้ว่าเรามีใจเราคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ให้ย้อนกลับเข้ามาดูใจการจะดูใจก็ต้องภาวนาะเราทําจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งสงบ เหลือแต่สัตวารู้นั่ะตอนนั้นร่างกายก็หายไปจากความรู้เองของของของใจเหลือแต่ใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับโทรทัศน์เนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นจอโทรทัศน์เราก็ต้องปิดเครื่องเพราะเวลเปิดเครื่องนี้ภาพมันจะปรากฏอยู่บนจอทําให้เห็นจอนะเห็นภาพคนนั่นคนนี้เห็นนะพอเราปิดปิดเครื่องตั้ง ภาต่างๆที่ปรากฏอยู่บนจอก็จะหายไปเหลือแต่จอนเวทนาสัญญาสังขารมีญาณนี้ก็เป็นเหมือนภาคที่ปรากฏบนจอคือตัวผู้รู้นี่งั้นเราต้องหยุดดูเวทนาสัญญาสังขารมีญาณด้วยการทําใจให้สงบเป็นเบ็ดข่าวนี่เองพอจิตสงบแล้ว ก, ก็เหลแต่สักแตว่ว่านี่แหละคือตัวใจตัวจอเป็นอย่างนี้แล้วตัวจอนี้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ ไม่คิดตรุงแต่งไม่อยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็มีความสุขได้สบายกว่าไปได้ซ้าแต่อยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิดีกว่าไปซื้อตั๋วบินไปทำพาสปอร์ตวีซ่าไปขึ้นเครื่องไปผ่านการตรวจของความปลอดภัยต่างๆให้เขาต้องค้นตัวเราบางแห่งก็มีถ่ายเฉลยเพื่อไปหาความสุข ทางยุ่งสูงจิ๋นเลยซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขเลยกว่าจะได้มาก็เหนื่อยแสนเหนื่อยพอกลับมาก็หายไปหมดและวพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่ความอยากอยากอยากจะไปะออกไปหมดเื่อเนี่ยหลับตาพุโทโธพุโทโธเดียวเดียวถึงความสุขที่เหนือกว่าทั้งหลายร้อยเท่านี่ละโง่รูชลาเข้าไปคิดด้ว รู้ว่าโง่อยู่จังแต่ก็ยังไม่ยอมอปสักทีจะมาเสียมันดื้อย้อการมองให้เป็นท่าสีเนี่ยนี่ก็คอหลักคือให้ก่อนวางใช่ จะดูไม่ในตัวตนไม่ทีตต่ตัวเราของเราถ <c oughs> ้ิวัตถุหรือไม่ปล่อยวางก็ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายอย่าไม่ต้องไปกลัวมไม่ต้องไปเสียได้หรือคนอื่นที่เรารักเราชอบเขาจะตายไปหรือก็จะทิ้งเราไปก็ปล่อยเขาทิ้งไปเ <c oughs> มื่อก่อนเราไม่มีเท้าแล้วก็อยู่ได้ทำไมตอนนี้เวลาเขาจะไปเราทําไมจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราปล่อยแล้วเราก็อยู่ได้แต่เพราะกิเลสคือความขี้เกียจความ อยากสบายอยากให้เขาเลี้ยงดูเราจึงอยากให้เขาอยู่กับเราหรืออยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วมันรูสึกว่าเวเศร้าสร้ยเหนียเนวพอมีเขามาเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกว่าความเศร้าสรยเหนียวเหนีวความว่าเวนั้นมันหายไปความจริงความเศร้าส้อยเหนียวเวว่าเวนั้นมันเป็นความเป็นผลที่เกิดจากความปรุงแต่งของติเลงเกิดจากความอยากนั่เอง พอจิตสงบไม่มนความอย่ากเราอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่กับคนอื่นแล้วลำคังเดี๋ยวได้นั่นเดี๋ยวก็ไอ้นี่มีเรื่องมะถลายยนะอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายถ้าจิตสงบแล้วไม่อยากจะอยู่กับใคร ก็จะกลับมาอีกครั้งก็คือเวลานั่งคือพอเจิตมันเริ่มสงบขึ้นนิดนึงมันจะเบาๆสบายแต่ว่าขณะนั้นมันจะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเราบางครั้งรู้สึกเหมือนกับเราเกือบรู้ตัวเกือบไม่รู้ตัวนั่นแหละก็ระสติเรากำลังอ่อนอยเหมือนกับเราที่เรานอนหลับเนี่ยก่อนที่เราจะหลับเนี่ยก็รู้รู้บ้างไม่รู้บ้าง พอไม่รู้ปับมันก็หลับไปเลยเราควรจะหยุดแล้วก็เปลีนอิริยาบถแล้วเริ่มใหม่หรือว่ายังไงก็ควรจะเจริญสติให้มากขึ้นในในชีวิตประจําวันประมาณเพื่อให้มีสติมีกําลังมากขึ้นในขณะที่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเรารู้ว่าหลักแล้วก็อย่างแล้วก็หยุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงคกงแทนถ้าเราอยากจะปฏิบัติต่อก็ลุกขึ้นมาเดินภาวนาแบบเจริญสติให้มีกําลังมากขึ้น เดินพอรู้ส็จว่ามีกำลังพอก็ลองกลับไปนั่งต่อทสลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในขณะเดินจ ง, งกรมก็จเจริญสติไปถ้าเรายังไม่ได้สมาธิเราก็จเจริญสติไปให้ให้รู้อยู่กับอิรดียบทของการเคลื่อนไหวของการเดินหรือใช้การโดยการทุโทคาธกลับไปคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการจเจริญสติ แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่เราได้สมาธิแล้วเวลาออกจากเดินสะพงนี้แทนที่เราจะเจริญสติเราจะออกทางปัญญาต่อเองเพราะว่าเราไม่ต้องเจริญสติแล้วเรามีสติอยู่แล้วทีนี้เราต้องการปัญญาละทีนี้เราต้องพิจารณาใจแล้วนะพิจารณาในจังทุกข์ขันธตาเริ่มต้นที่สิ่งที่เรามีความผูกพันอยู่ก่อนท้างานการงานเป็นสิ่งที่เรายังผูกพันอยู่ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยวันหนึ่งมันต้องจบ ทั้งวันนี่เราต้องออกจากงานให้เราเก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับกับเหตุการณ์นี้เวลาต้องออกจากงานก็จะไม่รู้สึกเสียใจนี่คือเป็นการดับความทุกข์การพิจารณานี้ก็เป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือทําการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนสอนใจให้เราเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกลักษณะหนึ่งก็คือขณะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลย เกิดใจเกิดความเสียใจกับการสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไปแล้วตายไปแล้วเราจะมาร่องห่มล่องให้เศร้าโศเสียใจไปทไําไมทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เป็นการใช้ปัญญาในขณะที่อยู่ใน เ, นเหตุการณ์จริงถ้ายังไม่มีเหตุการณ์จริงปรากฏก็ต้องก็ต้องพิจารณาทําการบ้านไปก่อน เตมกับรับเตรียมรับกับสภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราถามตัวเองว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราห่วงอะไรอันนั้นเราต้องเราต้องพิจารณานนเพราะเวลาที่เราต้องจากเขาไปหรือเขาจากเราไปเราจะได้ไม่มีความทุกข์ใจนี่คือการเจริญปัญญาแล้วถ้าพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเกิดเมื่อไม่ได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ เริ่มีอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาก็กวนใจก็ควรจะหยุดพิจารณากลับไปนั่งสมาธิก่อนเพราะเหมือนกับว่าอุเบกขาของใจนี้มันหมดไปละมันถูกเวลาเอามาใช้งานมันจริญปัญญาพิจารณาควาจิตมันก็น้องหมูที่ต้องทำงานแล้วไอ้ความเป็นความสงบความเป็นอุเบกขามันก็จะค่อยๆหายไปกิเลนมันก็จะมีกําลังออกมาสร้างอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นบัวต่างๆให้เกิดขึ้น พอถึงเวลานั้นเราก็รู้แล้วาต้องหยุดนะเรากลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ตัดไม่ขาดนะพิจารณาเริ่มเลยเริ่มง เ, เริ่มเห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วไม่ได้เป็นธาตุสิ่ไม่ได้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาตอนนั้นเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับไปทําสมาธิเพื่อไปตัดกําลังของของกิเลสให้ใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังเป็นเบิดขา พอใจได้สงบพักเต็มที่แล้วออกมาก็ามาพิจารณาต่อสิ่งใดที่เรายังตัดไม่ได้ก็พิจารณาต่อไปเดี๋ยวมันก็จะตัดได้พอตัดได้แล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปหรือถ้าเราไม่แน่ใจว่าตัดได้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปหาของจริงพิสูจ์เช่นถ้าเรากลัวตายเราที่ว่าเราไม่กลัวตายแนละ้วแต่เราไม่กลัวตายเพราะเรายนอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอยู่เราก็ทำไม่ยืนในที่ที่มันไม่ปลอดภัยหรือ ท, ที่เสี่ยงกับความเป็นความตายดูดูว่าเรายังกลัวหรือเปล่าอันนั้นเป็นการเข้าห้องสอบเป็นการเข้สนามสอบหรือเราพิจารณาว่าวิทนามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้ามีเกิด ม, มีดับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วให้ให้มันเจ็บของมันไปให้มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ให้มันหายไปเองถ้ามันเปลี่ยนไปเอง นักสุขเป็นทุกข์จากทุกข์ไม่เป็นเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรอยนอันนี้เป็นการเข้าห้องสอบถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอเข้าห้องสอบแล้วก็ไม่รู้จะทํำอะไรพิจารณาไม่ได้ไม่สามารถแยกกายว่าเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งใจผู้รู้เป็นอย่างหนึ่งบางที่เราก็ต้องพิจารณาไว้เรื่องหน้าก่อนแล้วพอเราคิดว่าเราพรอมนาทีนี้ก็ลองนั่งดู ยังอยู่ว่าปล่อยให้มันเจ็บแล้วเรียกว่าเออเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมหนึ่ ง, งร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งใจผู้รู้ก็เป็นเป็นธรรมอีกอย่างเป็นผู้รู้ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่กันเวทนาก็มีหน้าที่แสดงก็ปล่อยก็แลงไปร่างการมีหน้าที่นั่งก็ปล่อยก็นั่งไปใจมีหน้าที่ดูก็ดูไปเฉยๆดูซิว่าจะทําต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนได้หรือเปล่าใจอยากไปเข้าข้าง อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดความอยากแล้วใจจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับใจเองอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกสุดเนี่ยให้พิจารณาหลับนิ่งกับซ้อมไปก่อนตรงนั้นนี่ก็คือการปุงแต่งฝ่ายกุศลไปก่อนใช่ไหมก็พิจารณาทางมาร์กนี่ก็พิจารณาใจรักเนี่ยก็เป็นกุศลเนี่ยพิจารณาพี่น้อเป็นใจรัก แล้วตอนที่นั่งสมาธิแล้วเราเข้ามาเห็นความจริงตรงนั้นมันคือปัญญาใช่ไจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คว่าเวลาเจอความจริงแล้วเราใช้ความคิดของเราดับความทุกข์ในใจเราได้ก็เป็นปัญญาอตอนที่เราพิจารณามันก็เป็นปัญญาอย่างหนึง่งเ้าเรียกจิมตมัญญปัญญาแต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงนันจะเรียกว่าเป็นภาวนามัญญปัญญาเพราะจริงกนตมักญปัญญายังไม่ได้ดับความทุกข์อย่าง แท้จริงพราะเราจินตนาการไปางเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงเนี้ยมันจะเป็นภาวนาวิญญาณพอทุกเกิดขึ้นพิจารณาว่าเกิดจากความอยากพอจับความอยากได้ครับทุกก็ดับไป้มันเห็นชัดชอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างเงี้ยพอเห็นอย่ี้แล้วก็จะไม่สงสัยว่าดับทุกได้ได้ยอยังตามครับฉันก็ อนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องเตรียมตัวสำหรับความความตายที่จะเข้ามาใช่ไหมคมันมีทั้งความอึดอัดมันอาจจะเกิดจากความอึดอัดที่เราจะไม่มีลมหายใจต่อไปหรือว่าเกิดจากความเจ็บปวดจากอาการอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะเสียชีวิตอยนี้นใช่ไหมคะใช่ก็ต้อ ง, <ล>ตองเตรียมพร้อมนะเพาะเราไปเชิญกับอย่างนี้เกิดขึ้นมาในระหว่างที่เรากําลังจะตายไปอย่างนี้ยค่ะเราจะต้อง ทำยังไงกับมานาันอะไรเงี้ยค่ะก็ที่สอนมาตลอดนี่ก็นนก <c oughs> าายังแบบวยังฟังไม่เข้าใจอยู่เลยใคือแบบว่าไม่ค่ะก็คือเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่อยู่หาสมาธิหาจุดหนึ่งที่เรายอมรับได้แต่ว่าพอถึงนันดจุดนั้นมันอาจจะยากเกินไปที่เราจะเข้าใจฝ <c oughs> ากไว้ก็นั่นก็ถึงบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปสู่สติสู่สมาธิสู่ปัญญา ตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนพุณพระทำตรงนั้นแล้วก้าจากตรงนั้นขึ้นไปตอนนี้ถือศีลแปดได้ยังเจริญสติได้ทั้งวันหรือยังประธรรมต่อไปก็เจริญสติให้ได้ทั้งวันแล้วมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิให้จิตมันรวมเป็นหนึ่งให้ได้พอมันรวมเป็นหนึ่งได้แล้วก็เจริญปัญญาออกจากสมาธิแต่ถ้าเราสมมติเราอยู่ถึงขั้นสมาธิแล้วแล้วเรายังเจริญปัญญาไม่ได้อย่างน้อเราก็สามารถดับความทุกข์ด้วยสมาธิได้ชัว่วครา คือเวลาเราเจ็บไายได้ป่วยใกล้าตายเราไม่รู้จะทาอะไรเราก็เข้าสมาธิไปอย่างน้อยมันก็ไม่ทํางานแต่กิตเหรนมันยังไม่ตายความกลัตายยังไม่หายไปอาจจะต้องไปแก้ปัญหาใส่พบหน้าชาติหน้าต่อไปเพราะวาเราตายในสมาธิแต่อย่างน้อเราไม่ตายแบบคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีสติคนที่ไม่มีสตินี่เขาเรียกว่าเวลาตายนี่จะเผลอ จะหลงเขาจนหลงจะหลงบางทีเพื่อจอน้องร้องร้องโวยวายอะไรต่างๆเนี้ยแสดงว่าหลงไม่มีสติควบคุมใจให้สงบให้นิ่งดงนั้นการเจ้เงินสติจึงสำคัญมากถ้าเริ่มมีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้ามีสมาธิก็จะควบคุมได้เต็นที่คือให้หยุดนิน่งได้เวลาอยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิควบคุมไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาพวกคุณเองถึงต้องเจริญปัญญาเพื่อสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธินี้อยู่อยู่ข้างนอกสมาธิอาจารย์คการพิจราณจรณาเนี่ยจําเป็นที่จะท่านอนหรือท่าเดินคะไม่สี่เดียวโดดไม่ได้แต่ถ้านอนนี่อาจจะไม่หมอกเพราะจะหลับจำเปาจะเจริญในสามเดียวบบ จะนั่งพิจรารณาต่อก็แด้เช่นเมื่อนั่งออกจากสมาธิแล้วเราไม่อยากจะลุกไปเดินจงกรมเราจะนั่งพิจรารณาต่อเช่นนั่งให้มันปวดให้มันเจ็บขึ้นมาแล้วก็พิจรารณาทุกขเวทนาไปอย่างที่นั่งทั้งคืนแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเจ็บมันจะสงบเป็นพักๆเนี่ยพอมันผ่านเวทนาตัวแรกไปมันก็จะสงบพอสงบได้ชั่ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปพัฒนาตัวที่สองขึ้นมาแล้วก็พิจรารณ า, า, า, ามันต่อไปพิจรารณาเพื่อปล่อยวางเ ว, งวทนา พอผ่านตัวที่สามมันก็จะตัวแก่ตัวผ่านตัวที่สองมัจะไปตัวที่สามต่อพอมันหมดตัวที่สามแล้วมันก็หมดเลยตอ่อไปมันก็จะไม่ไม่มีความกลัวคว<ม>ามตายเพราะว่าความตายนี่ก็แค่ความเจ็บนี้เองเมื่อเราผ่านความเจ็บนี้แล้วเราจะกลัวแก่สอนว่าการทำความเพียรนี่มีอยู่สีลักษณะด้วยกันคือให้ทํำการดีที่เรายังไม่ได้ทํานี้ ให้ทำให้ได้มากขึ้นไปส่วนควาดีที่เราได้ทําแล้วก็ให้รักษาไว้ส่วนบาปหรือความไม่ดีที่เราละที่เรายังไม่ละก็ต้องละให้ได้ส่วนที่เราละได้แล้วก็อย่าให้กลับคืนมาถ้าเรามีความเพียรในสี่ลักษณะนี้เราก็จะมีแต่ความเจริญกล้ามหน้าในใทันสานี้ก็เป็นเวลาที่เรา ต้องมาทบทวนว่าเราจะทำอย่างไรกับการปฏิบัติทั้งสี่ข้อนี้ข้อไหนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติในภาษานี้เราอาจจะอธิษฐานขึ้นมาว่าจะเช่นไม่เคยนั่งสมาธิทุกคืนก็ตอนนี้ก็จะนั่งทุกคืนหรือถ้าเคยนั่งทุกคืนแต่ไม่ได้นั่งทุกเช้าจะนั่งตอนเช้าด้วยเพิ่มขึ้นไป หรือว่าถ้ายังไม่ทำเพิ่มไม่เพิ่มไม่ได้ก็ให้รักษาเท่าที่เราทําได้ไว้ก่อเราเคยทําอะไรอย่างไรก็ทําต่อไปอยายาให้มันหายไปเช่นเดียวกับบาบหรือสี่เราลกข้อไหนได้เราก็รักษาไว้ส่วนที่ข้อที่เรายังรักษาไม่ได้ก็เริ่มรักษาเสน ถ้าเรารักษาสิหนห้าได้แนละ้วในข้าช่วงคำวิชาเราจะรักษาสิบแป่ในบางวันก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีกําลังที่จะรักษาได้ทุกวันถ้าทำอย่างนี้แนละ้วก็เราก็จะคืบหน้าจะไปข้างหน้าได้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการเดินทางถ้าเรายืน อ, อยู่กับที่มันก็ไม่ไปข้างหน้ามันไม่ไปข้างหลังถ้ามันเดินถอยหังมันก็ยื่นไปห่างไกลจากเป้าหมายจุดหมายปลายทาง ถ้าเราเดินก้าวไปข้างหน้าเราก็จะเดินเข้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราเข้าไปทุกทีแต น, นเราอยากให้ความท้อแท้มันเป็นตัวมาสะกัดซึ่งมัมนเกิดขึ้นได้กับทุกคนวเวลาปฏิบัติไปแล้วมันบางเวลาก็จะมีความเบื่องา่ายท้อแท้ไม่มีกําลังก็ท่านก็สอนว่าให้เราคิดถึงครูบาอาจ า, นนารย์ต่างๆพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์งสาวกต่างๆ ท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างบางเวลาเพราะอารมณ์ของคนเราก็มีขึ้นมีลงบางวันอารมณ์ดีก็มีกําลังใจที่จะปฏิบัติบางวันบางวันอารมณ์ไม่ดีมีเหตุการณ์ต่างๆมารุมแล้าทําให้ไม่มีกําลังใจก็อยากท้อแท้ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าวั น, นไม่มีอารมณ์ปฏิบัติเลยปฏิบัติอะไไม่ได้อย่างก็อยู่เฉยๆไปก่อนก็ได้แต่อย่าไปพาไปกินเหล้าไปเที่ยวกินเหล้าเมายาประชดชีวิตอย่างนี้อยนไม่ได้เป็นการกระทํำที่แกาา้ปัญหาเพีลงแต่บอกให้เรารู้ว่าอารมณ์นีจิตเราตกสันะ่นยแต่มันเป็นเพียงอารมณ์มันเป็นนามิจังมันไม่เที่ยงอะมันมีขึ้นมีลง แังวันนี้มันต่าทําอะไรไม่ไหวเลยเราก็อยู่เฉยไปพักผ่อน ก, ก็นได้รอให้อารมณ์นี้มันผ่านไปพอมีกําลังจิตกําลังใจเราค่อยทุ่มเทกําลังการปฏิบัติต่อไปข้อสำคัญก็คืออย่าถอยอย่าเริ่กเท่นั้นเองถ้าไปข้างหน้าไม่ได้ก็ขอให้ยืยนอยู่กับที่ไว้ตลอดการอย่าถอยหลังถ้าเก้าไปข้างหน้าไม่ได้ก็อย่าถอยหลั ง, ออ ง, อออลงรอให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นวัน มีวันมีอารมณ์ดีมีก enrolled, ําลังอยากจะปฏิบัติก็ก็ท so ุ่มเทไปก้าวหน้าขึ้นไปแต่อย่างน้อยก็พยายามอย่าถอยหลังถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ท้อแท้อย่างไรก็บอกตัวว่าเราก็เคยทํามาได้เราทำไมจะหยุดทําไปทําไมเราเคยคิดมีอุบายในกาขเราอยู่คั้งหนึ่งว่าสมงว่าถ้าเราบวชไปแล้วเราอยากจะสึกขึ้นไปเราก็บอกว่าถึงว่าเราบวชมนได้สองพรรษา เราก็ต้องอยู่ต่อสองวันสาเพราะว่าเราอยู่มาสองวันสาได้ทํามาอยู่สองวันสามจะหยูดไม่ได้เราพออยู่สองวันสาแล้วท่ามาคิดกันหน่ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จพอมันได้สี่วันสามมันก็อยู่ต่อได้อย่างนมันก็จะไม่มีวันเสร็จอะไม่มีวันถอยหลังอ่ะทั้งนั้นเพราเราทําได้แล้วทำไมเราจะไเลือกทำไปอย่างนี้ที่เราทําได้แล้วเราก็ทําต่อไป นี่มันเปนวิธีป้องกันไม่ให้เราเดินถอยหลังเราจะเดินแตข่ข้างก้าไปข้างง่ายอย่างเดียวถ้าก้าวไม่ได้ก็ยืนเฉยๆก่อนแต่อย่าถอยหลังพักก่อนยืนตรงนั้นพักผิวตรงนั้นก่อนพอมีแรงแล้วหายเหนื่อยแล้วเราก็ค่อยก้าวต่อไปแต่อย่าถอยหลังเปน็นนังกาอย่างที่หลวงตาท่านก็พูดสู้ไม่ถอย <c oughs> สู้ไม่ถอย ก็คือหลักของความเพียรที่พระเจ้าทรงสอนสื่ประการนี้ให้ทําเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทําได้ถ้าทําเพิ่มไม่ได้ก็ให้รักษาส่วนที่เราทําได้ไว้แล้วอย่าให้มันสูนญหายไปนี่คือคําสู้ไม่ถอยเปง น, นี้แล้ะรับรองได้ว่าจะไม่มีทางถอยเป็นทางเพราะเราทําได้แล้วเนี่ยใช่ไหมส่วนที่เราทําได้แล้วเราจะได้เลิกทํำไมอันไหนที่เราทําได้แล้วมันง่ายแล้ว เมื่อเราเราเลิกดื่มกาแฟได้แล้วก็อยากกลับไปดื่มนี้ยกเว้นได้ในตอนนี้ที่ไปงานไปกะไปที่ไหนแล้วเขาจะมาเลี้ยงเราไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเองทำ น, นั้นก็มีช่องให้ดื่มแล้วถ้าอย่างเป็นชาเนี่ยถ้าใครเอาตะเทิยมาก็อาจจะดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ถ้าเราเลิกได้แล้วมันก็ไม่สําคัญอะดื่มก็เท่าเท่านั้นไม่ดื่มก็เท่านั้น เพราะมันก็เป็นเหมือนน้ำเดือดธรรมดานึ่ยเพราเราไม่ได้เดือดด้วยความอยากแต่ถ้าเดือดด้วยความอยากแล้วมันจะติดเราได้เดื่มทั่วนี้แล้วจะดูลอยเขาเมือไหร่เขาจะยกมาอีกถ้วยถ้าไม่ยงมาบทีก็กำลังหาอุบายพูดเอ้ยไม่เห็นมาทางนี้เลยแต่พยายามเลือกเถิดเพื่ลูกเสียงกินรสต่าง มันเป็นอุปสรรคต่อ ก, การพอนาของเราดื่มน้าเปล่ากินอะไรตามมีตามตัวอยากไปปูนแตงว่าวันนี้จะกินอะไรที่ไหนนแล้วแต่อยู่ใกล้ที่ไหนก็กินอย่างนั้นมีอะไรกินก็กินมันมกินให้มันอิ่มแล้วก็จบถาให้ดีก็กินของเดียวเลยแล้วก็ไม่มีให้ไม้ให้กินอะไรอนอกจากน้ํำอย่างเดียว นี่แหละ ว, วิธีปราบกิเลสปราบ ก, การมันฉะแล้วจะทำให้การภาวนาของเรานี่ไม่มีอุปสรรคขวางกั้นะคว่ะเอาเนาะพอสมควรแก่เวลานะ <c oughs> <c oughs>